กรรมฐานนี่มันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนหลักให้แม่นว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสมามัวว่าอาจารย์นี้ว่าอย่างไงอาจารย์นี้ว่ายังไ ง, าา ง, ไงสับสนตายเลยอาจารย์แต่ละอาจารย์พูดไม่เหมือนกันสิ่งที่พวกเราต้องเรียนให้ได้คือหลักของการปฏิบัติหลักต้องแม่นการปฏิบัตินี้ไม่พ้นหลักของไตรสิกขาหลวงพ่อไปไหนก็พูดจะเรื่องไตรสิกขา ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาศิกขาเรียนต้องเรียนให้ครบส่วนที่ทํากันไม่สําเร็จนะพอนามไม่สําเร็จนะพวกไม่ได้เรียนจิตศิกขาศีลก็ไปรักษาเอานะตั้งใจรักษาเอาแต่พอมาถึงเรื่องของจิตใจเนะี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่าจิตชนิดไหนนะเป็นจิตที่ประกอบด้วยโมหะเป็นสมาธิที่มีโมหะเป็นมิจฉาสมาธิ สมาธิชนิดไหนนะเอาไว้ทําความสงบสมาธิชนิดไหนเอาไว้เดินปัญญาเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนสิ่งเหล่านี้ให้ท่องแท้เนี่ยเวลาไปนั่งสมาธิไปทําวิชาสมาธิไม่ทําซะดีกว่าทําแล้วโมหะมากกว่าเก่าเป็นมนุษย์ปกติก็ดีๆอยู่แล้วไปนั่งสมาธิให้มันซึมซื่อบื้อไปตายไปไปเป็นเดรัจฉานทําไปทําอะไรนะเป็นวิชาสมาธิไม่มีสติ หรือบางคนก็ทำแต่ความสงบหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหรืออะไรต่ออะไรทำกรรมฐานน้อมจิตให้นิ่งน้อมจิตให้สงบจิตก็สงบแต่ว่ามันสงบอยู่ข้างนอกไปอยู่ข้างนอกนะใจมันลอยสว่างว่างอยู่ข้างนอกใจไม่ไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจสมาธิที่ใจไปติดอยู่ในความสุขความสงบภายนอกนะเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนอย่างเดียว สมาธิที่พวกเราต้องเรียนให้ได้แล้วส่วนมากเดี๋ยวนี้คนทำได้เนี่ยเยอะแยะเลยสมัยก่อนไม่ค่อยมีตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆนะคนทำไม่เป็นสมาธิอย่างนี้หายากเดี๋ยวนี้สมาธิชนิดที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมีเต็มบ้านเต็มเมืองเยอะแยะไปหมดละบางคนไม่เจอหลวงพ่อนะฟังซีดีจะจับหลักได้จับหลักได้ปุ๊บจินตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานขึ้นมา อจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตนี้พร้อมที่จะเจริญปัญญาลักษณะของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจะมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความคล่องแคล่วว่องไวมีความขยันในการรู้อารมณ์รูปนามถ้าจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อจิตขี้เกียจที่คล้านเนี่ยไม่ใช่จิตที่ดี งั้นสิ่งนี้ต้องพัฒนาขึ้นมาให้ได้วิธีที่เราจะพัฒนาจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องกนะ็ค่อยๆเรียนเรื่องของจิตงั้นบทเรียนที่ทําให้เราได้สมาธิที่ดีนะถือเรียกว่าจิตตศึกษางเรียนเรื่องจิตตอนหลวงพ่อสอนใหม่ๆสอนเรื่องให้รู้ทันจิตเนะเพื่อจะพัฒนาสมาธิให้ถูกต้องเองคนยุคนน้นไม่เข้าใจนะบางทีคิดว่าหลวงพ่อสอนว่าไม่ให้นั่งสมาธิ ก็นั่งทำมิจฉาสมาธิไปนั่งทำมันทำไมนะก็เลิกซะทำผิดนะมาฝึกสมาธิที่มันถูกละก่อนสมาธิที่ถูกมีสองอย่างนะ1สมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันเนี้ยมีสติไม่ขาดสติแต่จิตมันสงบอยู่กับอารมณ์มันเดียวสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์ เห็นอารมณ์เคลื ling, ่อนไหวเปลี leaving, ่ยนแปลงนะอารมณ์มีเป็นแสนอารมณ์ล้านอารมณ์ก็ได้แต่จิตมันเป็นหนึ่งมันเป็นคนดูเนี่เราจะฝึกให้จิตมันเป็นคนดูแล้วเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงผ่านมาผ่านไปตลอดเวลาเน่ยซี่เราจะฝึกให้ได้ตัวนี้ตัวนี้เอาไว้เดินปัญญาสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะมีศัพท์เฉพาะเราเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเราไปเพ่งเช่นเราเพ่งในความว่าง หรือเพ่งจิตให้นิ่งๆไม่คิดไม่นึกนะหรือเพ่งแสงสว่างหรืออยู่กับแสงสบายนะทํากรรมฐานอะไรก็ได้จเจริญเมตตานะใจแผ่กว้างออกไปนะใจไม่อยู่กับตัวเองจิตใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะจิตใจอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ขาดสติอันนี้เอาไว้พักผ่อนถา่ว่ามีประโยชน์ไม่มีเอาไว้พักผ่อนถ้าไม่ได้พักผ่อนเลยจเจริญตัญญารวดไปมันเหนื่อย แต่บางคนทำไม่เป็นทำไม่เป็นไม่ได้ เ, เ, เดือดร้อนอะไรนะขอให้ทำสมาธิอย่างที่สองเป็นก็นแล้วกันพระอราหันต์ส่วนใหญ่นะเป็นพระอราหันต์ที่ไม่ได้ทรงฌานมาก่อนนะเหมือนคนอย่างพวกเราเนี้ยเข้าฌานไม่เป็นคนส่วนใหญ่เป็นแบบพวกเรานะที่ท่านบรรลุพระอราหันต์กันตนะัวพ่อไม่ได้พูดเองอันนี้พระเทเจ้าท่านแสดงไว้นะบอกว่าในบรร ด, ดาพระอราหันต์ห้ารอยรูปห้าร้อยองค์นะีย มีพระอราหันต์ที่ได้วิชาสามระลึกชาติได้รู้การจุติอุบัติใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้แล้วก็ล้างกิเลสได้ท่านเหล่านี้ต้องส่งฌานมีจํานวนหกสิองค์สิบสองเปอร์เซ็นต์เนื้อส่งฌานอยู่เนี้ยสิบสอเรตพระราหันต์ที่ได้อภินญาหกเช่นแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพมีตาทิพมีเจโตปริยายานแบบนี้พระอราหันต์เหล่านี้มีอีกหกสิองค์สเซนต์ พระอรหันต์อีกจําพวกหนึ่งเรียกว่าอุปโตภาควิมุตต์พระว่าอุปโตภาควิมุตต์เนี่ยคือพระอรหันต์ที่ไดอารูปฌานท่านไดอารูปฌานในขณะที่บรรลุภารันพระอรหันต์อย่างนี้ก็มีอีกหกสิบองค์อีกสเรซ็นตรวมแล้วสามิบกเซที่เหลือเป็นพระสุขวิปสัสสกะคือคนอย่างพวกเราเนี่เองที่ไม่ได้สงฌานนี่เองเรานั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าต้องเข้าฌานได้ก่อนถึงจะไปเจริญปัญญาเป็นพระอรหันต์นะเข้าใจผิดเลย แต่ตั้งแต่ได้โสดาขึ้นไปเนี่ยจะได้ชาณอัตโนมัติได้ปฐมชาญอย่างต่ําที่สุดจะเป็นของแถมนั้นเป็นปกติทั่วๆไปภริยาบุคคลทั้งหลายจะได้ปฐมชาญเป็นเบือ้องต้นเลยอย่างต่ําถ้าได้ถึงอรูปิชาญจะเป็นอุปโตภาควิมุตย์งั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนอย่างพวกเรานี่เองไม่ต้องตกใจว่าเข้าชาญไม่เป็นนั้นเราใช้เราเข้าใจการฝึกสมาธิให้ถูกซะหน่อย สมาธิที่จะใช้เดินปัญญาจนกระทั่งเข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นสมาธิชนิดที่จิตเป็นหนึ่งแล้วเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับเปลี่ยนแปลงจะต่างกับสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนสมาธิพักผ่อนเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยอยู่กับนิ่งเนี้ยเช่นอยู่กับพุทโธก็ไม่หนีไปไหนอยู่แต่พุทโธจิตเป็นคนรู้พุทโธรู้ลมหายใจจิตขึ้นไม่ไปไหนนะจิตก็อยู่กับลมหายใจจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้า เช่นไปรู้ลมหายใจไปรู้พุทโธไปรู้ท้องผ่องยุบนะพารู้อย่างนี้นะจิตก็สงบไม่หนีไปที่อื่นนะอันนี้สมาธิชนิดที่เรียกว่าอารามณูปนิชฌานสมาี่ชนิดหนึ่งที่พวกเราต้องฝึกให้ได้เลยเรียกว่ารักขณูปนิชฌานจิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์เท่าไหร่ก็ไดนะ้แล้วอะไรจริงๆแล้วไม่ได้ดูตัวอารมณ์มีจิตเป็นหนึ่งนะแล้วดูความเปลี่ยนแปลงดูความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทั้งหลาย ดูอะไรดูใจรักเรียกว่ารักขนุปนิชานสมาธิที่จะทําให้พวกเราเดินปัญญาได้นะคือรักขนุปนิชานแต่บรรดาพระราญยะบุคคลนะท่านทํารักขนุปนิชานจนบรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยเวลาที่ท่านต้องการพักผ่อนท่านสามารถใช้ลักขนุปนิชานเนี่ยเป็นที่พักผ่อนได้ถ้าปุถุชนเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยชินจะชินแต่อรารมณูปนิชานเขไปเข้าอรารมณูปนิชาน ข า, ารามณูพนิชานได้ฌานที่หนึ่งสองาสี่ห้าหกเจ็ดแปดลักขณูพนิชานก็หนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบางท่านเข้าสมบัติที่เก้าได้ด้วยสมาบัติที่เก้าจะไม่เข้าที่อารามณูพนิชานะนี่เราต้องค่อยค่ยเรียนนะ่ค่อยๆศึกษาเรื่องของจิตทํำยังไงจิตจะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวได้อารามณูพนิชานจิตปกติเนี่ยจะหิวอารมณ์วิ่งพลาดไปวิ่งไปดูวิ่งไปฟัง วิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจเนี่ยจิตปกติมันจะร่อนเร่อย่างนี้เรียกว่ามันโคจรนะโคจรไปโคจรไปว่าที่ไปของวัวนะตามศัพท์จริงๆโคจระเป็นที่ท่องเที่ยวไปจิตนี้เที่ยวไปทางตาเที่ยวไปทางหูเที่ยวไปทางจมูกเที่ยวไปทางลิ้นเที่ยวไปทางกายเที่ยวไปทางใจเที่ยวไปเพื่ออะไรเที่ยวไปเพื่อแสวงหาอารมณ์ ที่มีความสุขมีความพอใจนะอย่างเราไปดูหนังเนะี่ยเราไม่ได้หวังว่าจะมีความทุกข์ใช่ไหมเราไปดูหนังเราไปฟังเพลงเราไปกินของอร่อยเนี่ยฉีตมันโคจรไปอย่างเนี้ยหวังว่าจะมีความสุขแต่ว่าพอเราอย่างเราไปดูหนังสักเรื่องนียดูแล้วมันก็มีความสุขแต่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ต้องไปโคจรไปที่อื่นต่อนะั <m> ไปฟังเพลงนะยังไม่มีความสุขพอก็ไปหาอะไรอร่อยกินกินเสร็จแล้วก็เหนื่อยแล้วไม่มีความสุขแล้ว <m> <ขอ S 2> หาที่นอนอะไรเนี้ยจิตใจเราร่อนเร่ไปเรื่อยหาอารมณ์ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าเรารู้หลักอย่างนี้นะว่าจิตเราฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะจิตมันหิวอารมณ์ที่มีความสุขมันเที่ยวสแสวงหาความสุขอยู่เรารู้หลักตรงนี้แล้วเนี่ยการจะทำสมาธิให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเคล็ดลับมาอยู่ที่การรู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานที่เราจะใช้ เพราะฉนั้นกรรมาฐานเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราต้องดูตัวเราเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมาฐานชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขเราก็เลือกอารมณ์กรรมาฐานานั้นคนไหนเป็นคนอย่างมีศรัทธามากนะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็จิตใจดีสบายมีความสุขมีความสงบเราก็เจริญพุทธานุสติคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้านะ บางคนชอบพิจารณาธรรมะพิจารณาธรรมะแล้วจิตสงบนะก็พิจารณาธรรมะบางคนชอบอ่านประวัติพระสาวกนะสาวกองค์น้ต่อสู้มาอย่างนี้องค์นี้ต่อสู้มาอย่างนั้นอ่านแล้วจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมีความสุขเนี่ยก็ใช้อย่างนี้เรียกสังขารุสติบางคนก็คิดถึงคนดีๆอย่างเวลาเราคิดถึงคนที่ดีนะดีมากๆเลยนะเราคิดถึงคนที่ดีมากๆแล้วจิตใจเราจะมีความสุข อย่างบางคนชอบพระเจ้าอยู่หัวหลายๆคนชอบพระเจ้าอยู่หัวชอบสมเด็จพระเทพอย่างเงี้ยเรานึกถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคิดถึงสมเด็จพระเทพนะใจมันมีความสุขถ้าใจมีความสุขใจจะสงบเพราะว่าใจได้อารมณ์ที่พอใจแล้วอย่างนี้เรียกว่าเทวตานุสติเราลึกถึงคนดีๆราลึกถึงเทวดาบางคนก็ใช้เราลึกถึงศีลถ้าเราทํารักษาศีลมาได้ช่วงหนึ่งอย่างเราตั้งใจรักษาศีล น, นะทุกวันตั้งใจมา เรารักษามาได้อย่างดีเลยเป็นเดือนเลยเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลไมาอย่างดีเวลาเราคิดถึงว่าเออเรามีศีลนะใจมันจะมีความสุขเมื่อใจมีความสุขใจจะมีความสงบนะในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งนะบรรลุพระอราหันต์ด้วยวิธีนี้คือท่านน่ะน้อยใจตัวเองว่าบวชมาเนี่ยรุ่นเดียวกันนะเขาได้พระอราหันต์ไปได้พระอนาคาหรือได้โสดาสกทาคาอะไรท่านไม่ได้อะไรเลย ฌานสมาบัติอะไรก็ไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรติดตัวนะเสียใจน้อยใจวันหนึ่งนะเอามีดโกนปาดคอตัวเองพอปาดคอเสร็จแล้วท่านก็เกิดนึกขึ้นได้ะตอนนั้นยังไม่ทันตายนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะจะว่าไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ใช่นะตั้งแต่มาบวชเนี่ยตั้งใจรักษาศีลอย่างดีมาตลอดเลยพราะพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยตีเตียนท่านได้ว่าศีนไม่ดีเพื่อนสหธรรมวิทย์พระด้วยกันก็ตีเตียนท่านไม่ได้ ท่านดูตัวท่านเองก็ไม่เคยผิดศีสติเตียน ต, ต, ต, ตัวเองไม่ได้เพราะท่านคิดถึงว่าสีหนูท่านดีนะใจท่านเกิดสมาธิขึ้นในขณะนั้นเลยนะสมาธิจิตใจมันแช่มชื่นจิตใจมันเบิกบานแล้วมีสติอยู่ด้วยรู้เด้วยรู้ตัวขึ้นมาแล้วท่านก็เจริญปัญญาในขณะนั้นเห็นร่างกายมันกําลังจะตายใจม่เป็นคนดูเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เรานะหมดความยึดถือในกายในใจท่านบราารลุพระอรหันต์ในขณะที่ตาย เป็นพระอรหันต์ชนิดที่เรียกว่าสมาสสีสีชีวิตะสมาสสีสีเนี่ยระลึกถึงศีลเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกนะเรื่องศีลคนทุกวันนี้ดูถูกการถือศีลถือว่าศีลเป็นเรื่องของคนโง่ที่จริงถ้าเราตั้งอกตั้งใจถือได้สักช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะอิมอ่มเบิบใจพอคิดถึงแล้วมันอิมอ่มเบิบใจถ้าอิมอ่มเบิบใจใจมีความสุขใจมีความสุขสมาธิจะเกิดอัตโนมัตินะเนี่ยเคล็ดลับนะเร่างนี้เรียกว่ามีศีลานุสติะระลึกถึงศีล ที่ได้ทําไว้ดีแล้วหรือเราไปบริจาคทา น, นเราไปบริจาคทานแล้วเราอิ่มเอิบใจเรานึกถึงเรามีความสุขนเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นอนุสติอีกอย่างหนึ่งเระลึกถึงทานที่ทําไว้ดีแล้วเราลึกถึงความสงบเราลึกถึงความสงบเราลึกถึงพระนิพพานพวกเรายัางระลึกไม่เป็นเราไม่รู้จักพระนิพพานเราแค่อนุมานเอาว่าออครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเคยเห็น ครูบาอาจารย์ผู้รู้ตักผู้ใหญ่นะแก่เท่าอายุเก้าสิบอายุร้อยหนึง่งดูท่านสดใสดูท่านมีความสุขดูท่านมีความสงบเมื่อไหรเราจะได้อย่างท่านนาะอะไรเนี้ยเรานึกถึงความสุขนึกถึงความสงบที่เราเคยเห็นนะจากพระผู้เฒ่าอะไรพวกนี้ยใจมันมีความสุขขึ้นมาเลยนะท่านต้องปฏิบัติดีท่านปฏิบัติดีใจท่านมีความสุขใจท่านมีความสงบเราคิดถึงความสุขความสงบนะใจสงบเลยนะ อย่างนี้เรียกว่าอุปัสมานุสตินะอย่างนี้เรียกว่าอุปัสมานุสติแต่เรียกแบบข้างๆเขียงๆนิดหนึ่งถ้าตามหลักสูตรจริงๆเราลึกถึงพนานิพานซึ่งเราไม่เห็นนะยังไม่เห็ น, นหรือเราลึกถึงความตายใจเราฟุ้งซ่านมากหรือเราอาฆาตแค้นคนมากเราโลภมากอะไรเนี่ยคิดถึงความตายบ้างนะใจมันจะหมดแรงดิ้นจะโลภไปทำไมจะเกลียดไปทาไมไม่นานทุกคนก็ตาย อย่างคนสมัยอยุธยานะไปอ่านประวัติศาสตร์สิเกลียดกันแทบตายใช่ไหมสุดท้ายตายหมดทุกคนอะ่นะตายทั้งสองฝั่งทั้งคนที่รักทั้งคนที่เกลียดเนื่องจเราคิดถึงว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนวันหนึ่งเราก็ตายนะใจมันสงบลงมาแต่บางคนนะบางคนไปคิดถึงตัวนี้ใจฝ่อไปเลยถ้าใจคิดแล้วใจฝ่อก็ระอย่าไปเอาใจไม่ได้สมาธิหรอกต้องคิดถึงแล้วใจมันสงบสลดสงเวทนะใจมันจะสบายคลายความ ยึดถือในอารมณ์ที่รุนแรงต่างๆลงนะอย่างนี้ก็เรียกว่ามรณสตินะหรือรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้านะนี้เรื่องอานาภณะสติพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจิตมันชอบคิดแทนที่จะให้มันคิดเรื่อยเปื่อยให้มันมาคิดเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่สวยไม่งามนะอย่างผมเนี่ยไม่ได้สวยไม่ได้งามจริงนะมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้ มันไม่เหม็นขึ้นมาก็เพราะเราคอยสระเอาไว้ใช่ไหมถ้าเราไม่สระผมใครเคยไม่ว่างแล้วไม่ได้สระผมหลายหลวันมีไหมผู้หญิงจะมีเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายสระง่ายนะหัวมุดน้ําเข้าไปหน่อยก็ใช้ได้ลนะผู้หญิงผมยาวๆที่ทุร้ายเยอะๆสระผมไม่ทันเหม็นมากเหม็นต้องทงาําไงหาอะไรหอมๆมาฉีดนะหลอกๆไว้ก่อนไมนะ่จริงแล้วมันเหนนะม็นผสมปลก ในร่างกายเนี่ยไล่มาแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะมีแต่ของไม่สวยมีแต่ของไม่งามพอคิดอย่างนี้แนละ้วพวกที่ราคารุนแรงอนะ่พะพอพิจารณาอย่างนี้ราคาลุนแรงนะหายใจก็มีความสูงมีความสงบนะอย่างนี้ก็เรียกว่ากายคตาสตินะพิจารณาอยู่ในร่างกายผมคนเล็บฟันหนงังเลื่อเอนกระดูกไม่ใช่ของสวยของงามไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุดืมโลกมาใช้ชั่วคราวแล้วก็ต้องคืนโลกไป เนี่ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้คิดพิจารณาไปอย่างนี้นะใจก็สงบได้เราต้องเลือกดูว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรที่ว่าเราไปอยู่กับกรรมฐานนั้นๆแล้วมีความสุขถ้าเราอยู่กับกรรมฐานนั้นใดมีความสุขนะจิตจะสงบโดยไม่ต้องอ้อนวอนให้สงบไม่ต้องบังคับให้สงบเพวกเราหลายคนทําสมาธิแล้วทําไม่ได้สักทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากสงบแล้วพยายามบัยายามงคับให้จิตสงบยิ่งบังคับจิตก็ไม่มีความสุข ยิ่งไม่มีความสุขยิ่งไม่สงบนั้นเคล็ดลับมันอยู่ตรงที่รู้จักเลือกอารมณ์นะเราต้องดูตัวเราเองว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นแต่อารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ดีๆนะอย่างด่าคนแล้วมีความสุขอะไรนี้นะเล่นไพ่แล้วมีความสุขอะไรเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้มันย่อกิเลสใจมันไม่สงบมันจะฟุง้งนั้นเราต้องดูตัวเองงั้นได้มาถามว่าหลวงพ่อสอนกรรมฐ า, านอะไรเนะย สอนสมถะและวิปัสนาสอนสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานถามว่าแล้วหลวงพ่อให้พวกเราใช้อารมณ์อะไรใช้อารมณ์ที่ถูกกัจจริตของเราต้องดูตัวเองงั้นหลวงพ่อไม่จัดนั่งสมาธิพร้อมกันเดินจงกรมพร้อมกันไม่ได้ทำทำไมไม่ทำเพราะไม่ได้ผลหรอกบางคนควรจะนั่งเราไปสั่งให้เขาเดิ น, นเขาก็ไม่ได้ผลบางคนควรจะนอนสมาธินะบางคนนอนแล้วพานาดีแล้วเคยมีนม้ําใช่ไม่มี ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่ามีครูบาอาจารย์องหนึ่งอยู่ทางศรีสะเกดแต่สิ้นไปแล้วละ่ะองค์นี้เก่งในทางนอนแต่ไม่ได้นอนแบบพวกเรานะนอนแล้วก็กลิ้งครอกๆไปไม่ใช่อะท่านนอนแล้วท่านเดินปัญญาได้ด้วยใช่ให้จิตสงบก็ได้เดินปัญญาก็ได้นะท่านพ้นทุกข์ของท่านได้ด้วยพ้นทุกข์แล้วก็พอหมดวันๆหนึ่งไม่มีธุระอะไรท่านก็เข้าห้องนอนดูแลเหมือนพระขี้เกียจเลยทังจริงท่านภาวนาแต่ว่าอยู่ในอิริยาบทที่เรานึกไม่ถึง แต่พวกเราอยากเป็นข้ออ้างนะตามสติติเนี่ยบรรลุในอิริยาบถนอนมีน้อยนะอิริยาบถ ท, ที่บรรลุมากก็ยืนเดินนั่งสามอิริยาบถอิริยาบถนอนนี่ทํายากก็ขาดสติง่ายมันเคลิมนะเนี่เราเลือกดูตัวเองกรรมฐานอะไรที่เหมาะกับตัวเราเราอยู่กับกรรมฐานนั้นมีความสุขเราก็ไปอยู่เล่นๆอย่างหลวงพอ่อฝึกอาณาจารนักสติแต่เด็กบังเอิ้อบางเอินนะจะเรียกว่าบางเอิญมันก็คงไม่ใช่เพราะว่ า, าศาสนาพุทธไม่มีบางเอิน เขาเรียกว่ามีบุญมาแหละ ไ, ไปเจอท่านพ่อหลีเขาท่านพ่อหลีวัณสุขรารัมไปหาท่านตอนหลวงพ่อเด็กๆ เ, เล็กๆท่านพ่อหลีเนะี่ยถ้าเจอเด็กๆจะจับนั่งตักเด็กผู้ชายนะถ้าเด็กผู้หญิงก็ไม่ให้นั่งหรอกะจะเด็กผู้ชายจะจับนั่งตักได้เรียนเกี่ยวับท่านท่านสอนหายใจเข้าฟูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าฟูดหายใจออกโทนับสองนับไปถึงสิบนะสิบแล้วก็นับมาเก้าแปดเจ็ดหกห้าอย่างเหมือนปล่อยจรวด หลว่าเด็กะนับถอยหลังไม่เก่งพรนับถอยหลังลราเครียดเครียดนี่ไม่เอาใจมันไม่เอาเองนะมันหายใจไปถึงสิบแล้วต่อสิบเอดสิบสองนับไปถึงร้อยเลยนับเลขถอยหลังไม่เป็นนะแต่นับขึ้นไปเรื่อยๆได้พอถึงร้อยแล้วนับหนึ่งใหม่ไม่นับถอยหลังแล้วจิ้มก็สงบเหมือนกันปรากฏว่าไปได้กรรมฐานที่มันถูกจริตคือทมอนาปรสติแล้วมันมีความสุขงั้นทมอนาปรสนิตแป๊บเดียวใจก็สงบละทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนนะเี่ย เนี่ยดูเป็นไหมเราเน้นจะทําเราก็ทําได้ะเพราะเราอยู่ที่ฝึกนะฝึกมันสบายสบายอยากพักนะมีเวลาพักนิดหนึ่งเราก็พักของเราได้แนละ้วต้องฝึกสิ่งเหล่าเนี้ยของฟรีไม่มีต้องฝึกเอาถ้าเราอยากทําสมาธิชนิดที่ให้จิตสงบนะมันจะรู้จักวิธีที่จะส่งสมาธิ ส, ส่งให้จิตเนยะส่งอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุข อารมณ์อันเดียวที่มีความสุขยาหลายอารมณ์ต้องใช่อารมณ์เดียวแลายอารมณ์จิตจับจดนะกระโดดไปทางโน้นทีไปทางนี้ทีไม่มีความสุขไม่มีความสงบอย่างคนมีหลายบ้านไม่มีความสุขนะบ้านน้อยบ้านใหญ่บ้านกลางกลาบ้านเล็กนิดเดียวอะไรอย่างนี้นะมีหลายบ้านวันวันนึงก็สับสนมากเลยว่าวันนี้จะไปบ้านไหนอย่างนี้ไม่มีความสุขไม่มีความสงบอ่ะเรามีบ้านเดียวนี่แหละที่อีแก่อยู่เนี้ยนะเออถึงเย็นแล้วก็กลับมา เจอกันนะจิตเราก็เป็นอุเบกขาไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเลยนะสบายอยู่กันมีความสุขเวลาทำกรรมฐานก็เหมือนอย่าใช้อารมณ์กรรมฐานเยอะเกินไปไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะทําอะไรก็ให้มันดูตัวเองก่อนว่าเราทําอันนี้แล้วสบายเราก็ทําอันนี้แหละฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าบังคับจิตให้สงบจิตไม่ชอบให้ใครบังคับแต่พาจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุข เมื่อจิตได้รับความสุขแล้วจิตจะไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นเมื่อจิตไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นจิตสงบของจิตเองนะเพราะงั้นวิธีฝึกให้ได้สมาธิชนิดสงบก็คือรู้จักเลือกอารมณ์ต้องดูตัวเองสมัยก่อนนะมีหลวงปู่ดูลอยู่หลวงปู่ดูลนะท่านมีบุญบา ร, รมีอยู่เรื่องหนึ่งคือไม่มีคนรู้จักนะเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องดีมากไม่ค่อยมีใครรู้จักท่านอยู่ท่านมาจนอาย90ุ90กว่าปี คนมาเริ่มรู้จักตอนท่านไปเาผาศพหลวงปู่ฟันน่นเนท่านเป็นพระโ น, โนเนมไปต้องเดินนะจอดรถอยู่ไกลๆแล้วเดินพระยิ่งใหญ่ท่างหลายท่านก็นั่งรถผ่านชิ้วๆชิวๆขี้ฝุ่นเยอะแยะหลวงปู่ดินย์อายุต้องเยอะล้วเดินเดินเดินเดินไปเหนือหน่อยไปนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้อยุกเก้าสิบกว่าสมเด็จพญานาคสังวรท่านนั่งรถผ่านมาท่านเห็นท่านรับขึ้นรถไปด้วย แล้วท่านก็ไหว้ไปถึงวัดแล้วกลับก็ไหว้คนก็เริ่มสงสัยว่าท่านคือใครสมเด็จยันสังวรท่านก็บอกว่านี่อาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นอีกทีนะคนถึงเริ่มรู้จักตั้งแต่นั้นท่านก็เริ่มเดือดร้อนแล้วล่านหลวงพ่อไปหาท่านนะจริงๆท่านก็ไม่ค่อยมีคนไปเรียนกับมาฐานกับท่านะคนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่วันๆนะไม่มีใครไปถามหรอกท่านก็เดินสบายอยู่ทั่ววัดนะบทีเราจะไปหาท่าน ที่กุฏิไม่อยู่ก็ไปเดินรอบรอ บ, บวัดเดี๋ยวก็เจอเจอตรงไหนนั่งได้ท่านก็นั่งสอนตรงนั้นเลยนะไม่มีพิธีกรรมหรอกไม่มีวางฟอร์มเลยนะงั้นท่านเนี่ยมีวาสนาบารมีอย่างหนึ่งท่านรู้จริตท่านรู้ว่าคนคนนี้ต้องฝึกอย่างไรถึงขนาดนี้เลยนะซึ่งบารมีตัวเนี้ยพระสงฆ์สาวกทั่วไปไม่มีแต่หลวงปู่ดูลีหลวงพ่อไปหาท่าน กราท่านบอกอยากภาวนาท่านหลับตางเงียบๆไปเกือบๆชั่วโมงไม่เต็มชั่วโมงดีหรอกลืมตาขึ้นมาท่านบอกให้ดูจิตไปเลยให้ให้ดูจิตไปเลยท่านบอกว่าพุโทโธพนะุทโธใช่ไหมท่านรู้ว่าเราพุโทโธมา ก, ก่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยบอกพุโทโธไปจิตรวมแล้วนะให้ดูจิตต่อเลยยท่านว่าอย่างเงี้ยให้ดูจิตเอาจิตของรลวงภาพมันรวมอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เป็นโยมแล้ะลูใชายก็แอบให้ดูจิตต่อ ตอนไหนมันฟุ้งซ่านกลับมาหายใจมาพุทโธจิตสงบหรือบางคนเนี่ยท่านสอนให้ดูกระดูกบางคนท่านสอนให้ดูผมเส้นเดียวเนี่ยครูบาอาจารย์อย่างนี้นะมีองค์เดียวหนูพ่อไม่เคยเจอองค์ที่สองเลยแล้วท่านทําได้เพราะว่าพวกเราไปหาไปถามกรระฐานนะท่านนั่งเงี ย, งยบๆสืบประวัติเราอยู่ต้งเป็นชั่วโมงบางคนสืบนานสืบสองชั่วโมงเพราะว่าอะไรหาความดียากหรือเกิน ควรตามไปนะนเคยฝึกอะไรมาบ้างนะบางคนท่านจะใช้เวลาไม่มากนะไม่ถึงชั่วโมงบอรู้เราคนนี้ท่านทําอย่างนี้นะทาอย่างที่ท่านบอกเราดีแต่ครูบาอาจารย์ที่รู้จดิตอย่างนี้ไม่เคยเจออีกสักองคหนึ่งก็ไม่เคยเห็นเลยนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องช่วยตัวเองให้มากถ้าเราไปคืนไปถามครูบาอาจารย์ผมจะปฏิบัติยังไงหนูจะปฏิบัติังไงท่านเคยปฏิบัติไงท่านมักจะสอนให้ปฏิบัติอย่างนั้น ซึ่งตรงนี้แหละเราจะตายก็ตายตรง น, นี้แหละอย่างท่านเคยพุทธโธท่านบอกให้เราพุโทโธพุทธโถดีที่สุดอะไรอยงเี้เราไม่ชอบพุโทโธพุทโธเรากลุ้มใจนะโธเราอึดอาดเงี้ยเราก็จะตะวี่ตะบันพุโทโธไปจิตไม่สงบหรอกเราะั้นต้องดูตัวเองนะในถึงวันนี้เนี่ยคนที่เรียนกรรมฐานเอาจีงเอาจังเรียนกับหลวงพ่อนี่ไม่ใช่เรียนทีละคนจะให้หลวงพ่อบอกนะมันก็เกินวิสัยที่จะบอกแล้วเยอะเหลื อ, เ, อเกินสมัยก่อนไปเรียนอย่หลวงปู่นานๆมีวปเรียนสักคนหนึ่ง เดี๋ยวนี้เรียนกับหลวงพ่อนะเรียนวันหนึ่งเป็นร้อยๆเป็นพันก็มีบอกไม่ได้นะสุดปัญญาที่จะช่วยเลยเราต้องสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆแต่อย่าให้ขาดสติไม่ใช่อยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขก็าหายใจแล้วก็หลับในไปเลยลืมตัวเองใช้ไม่ได้ถ้าขาดสติเมื่อไหร่เป็นมิจฉาสมาธิห้ามเด็ดขาดเลยนะนั่งสมาธิแล้วก็บึ้อซื้อบื้อ ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะถ้านั่งสมาธิเนี่ยคิดว่าจะทำใจให้สงบก็บังคับให้ใจสงบเนี่ยแล้วบางคนก็หน้านี้คิควมม้วขมวดเครียดจัดเลยดูจนสติจะแตกส่วนบางคนก็เพลิดเพลินนะฮะตื่นขึ้นม า, าวันนี้ภาวนาดีสงบคามจริงสลบไปชั่วโมง่องชั่วโมงแล้วนะไม่ได้เรื่องเลยอย่าให้ขาดสติขาดสติเมื่อไหร่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้น น, นนะ โมหาแทรกก็ไม่ใช่ของดีตายไปเป็นเดราัช า, าง่ายๆนะสังเกตไม่พวกหมาพวกแมวเวลาอยู่เฉยๆใจลอยถ้าไม่หลับก็ใจลอยนะอาชีพหลักของมันเลยไม่หลับก็ใจลอยยกเว้นตอนหาอยู่หากินเท่านั้นแหละที่จะต่อสูนะ้เวลานอกนั้นเอาไว้ขาดสติเพราะนั้นทํากรรมฐานเลือกเอาเองจะใช้กรรมฐานอะไรนะอยู่กับอารมณ์ น, นั้นอย่างมีความสุขอยู่อารมณ์ น, นั้นอย่างมีสติ รู้เน้อรู้ตัวไปเช่นหายใจเงี้ยเวลาหายใจนะหายใจออกมันจะผ่อนคลายนะถ้าเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าใจมันจะเครียดงั้นเวลาทํากรรมฐานเนี่ยหายใจออกก่อนแล้วค่อยหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนี่บางคนเคยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทํำยังไงล่ะจะมาหายใจออกพุทหายใจเข้าโธนั่งเวียนหัวมากเลยสับสนทําไม่ได้เลยมีอยู่คนหนึ่งฉลาดมากเลยส่งกันบ้านหลวงพ่อ เขาบอกว่าเขาต้องอย่างไรเขาก็ต้องหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่เขาใช้วิธีหายใจทิ้งไปนิดนึงก่อนหายใจออกไปหน่อยหนึ่งแล้วรู้สึกเหยู่เห็นร่างกายหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะถ้าทําอย่างนี้นะจะเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจนะพวกเราที่ทําอานาปนสติแล้วจิตไม่ยอมสงบง่ายๆบางทีไปจ้องใส่ลมหายใจจะไปจ้องอยู่ที่ลมเนี้ยถ้าจ้องใส่ลมนะมันจะเป็นกระสิน เป็นกสินลมนะกะสินทําไปเรื่อยๆลมจะค่อยๆดับๆกลายเป็นแสงกสินทั้งหลายเนี่ยทำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นแสงเหมือนกับหมดแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าได้กสินอย่างหนึ่งแล้วกสินที่เหลือเนี่ยจะง่ายละเพราะมันจะกลายเป็นแสงแบบเดียวกันงั้นถ้าเราจะทํามานาพนสตินะให้จิตสงบรู้เนื้อรู้ตัวจริงไม่หลงไปทางกสินกสินเนี่ยมันมีข้อดีบางทีก็มีฤทธิ์นะเล่นนนเล่นนี่ได้แต่ว่าโอกาสที่จะย้อนกลับมาเจริญปัญญาเนี่ยค่อนข้างยาก มันสนุกกับของเล่นของจริงเลยไม่เอางั้นเราลองปรับวิธีใหม่หายใจยังไงหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกยงไงเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอย่าไปเห็นแค่ลมหายใจถ้าเห็นแค่ลมหายใจเนี้ยจิตจะไปจ้องที่ลมหายใจจิตจะอึดัดนะแต่ถ้าเราเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าจิตจะผ่อนคลายรู้ไปด้วยจิตที่มีความสุกรู้ไปด้วยจิตที่ผ่อนคลายแป๊บเดียวก็สงบ ไม่ต้องคิดถึงว่าทํำยังไงจะสงบมันสงบของมันเองวันนี้หลวงพ่อปกติหลวงพ่อจะไม่ค่อยสอนสมถะนะแต่วันนี้สอนสมถะให้พวกเราเรียนเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์อะไรก็ทําเป็นหลายคนะนะนะถึงเวลาก็ควรจะรู้จักเครื่องมือในการพักผ่อนบ้างพักผ่อนด้วยสมถนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแค่หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่างนี้ก็พอแล้วไม่นานนะ ถ้าจลิตนิสัยเราเหมาอาการหายใจไม่นานก็สงบถ้าไม่ชอบสงบแล้วแต่เราเราคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความสุขเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์นะคิดถึงทานคิดถึงศีลหรือทําอะไรแล้วมีความสุขนะแล้วไม่ยั่วกิเลสเราก็ใช้กรรมฐานนั้นนั้นทำไปด้วยใจที่สบายอย่าไปทําด้วยหวังว่าจะสงบถ้าหวังสงบใจจะเครียดใจจะเครียดใจจะไม่สงบเลยนะนี่เป็นเคล็ดลับนะไปหา ที่อยู่ของเราสักอย่างหนึ่งเอาไว้พักผ่อนเพราะเราเป็นชาวโลกเป็นคารวะวันๆเรามีเรื่องที่เครียดมากมายเลยแล้วเราก็แก้เครียดด้วยกันไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินเหล้าไปอย่างน้อนไปอย่างนี้ไม่หายถ้าเราใจของเรามีพัฒนาการาเราสามารถมีที่พึ่งในใจของเราถึงเวลาเรามาเข้าทํากรรมฐานถึงเวลาเราก็ทําทุกวันทุกวันใจเราได้พักผ่อนมีความสุขกว่ากันเยอะไม่เสียสตังค์ด้วย ทำที่บ้านไม่ต้องทาที่ไหนหรอกไม่ต้องไปวัดนนทนวันนี้นะไปตามวัดก็ลํำบากบางวัดเนะี่ออนยนะผู้หญิงไป้าอันตรายนะผู้หญิงไปพวกผู้ร้ายมันมาบวชเป็นพระก็มีบางบางวัดนะ่ะผู้ชายไปยังอันตรายเลยนะเอพวกตุ๋ยมาก็มีนะอพระตุยพระอะไรอย่างนี้ตุดอะไรก็มีเนะนี่ยอยู่บ้านเราภานานเราที่บ้านไม่ต้องอยุ่งกับคนอื่นนะ ใครเข้าภาวนายังไงก็เรื่องของเขาไม่ต้องยุ่งปล่อยทางใครทางมันฝึกของเราเองนะถ้าทําได้อย่างนี้ไม่นานใจเราก็สงบได้นิสมาธิอีกอย่างหนึ่งสําคัญคือสมาธิที่จิตตั้งมัน่นสมาธิจิตตั้งมั่นเนี่ยหลวงพ่อสอนมานานแล้วสอนมามากนะวิธีการก็คือให้เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งเหมือนเดิมแหละอันเดิมแหละอย่างเคยหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะเห็นร่างกายหายใจคราวนี้ปรับนิดเดียว กลับมารู้ทันใจวิธีที่จะฝึกให้ได้สมาธิชนิดจิตตั้งมั่นคือกลับมารู้ทันใจตัวเองหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวใจสงบรู้ว่าสงบในหายใจแล้วคอยรู้ทันใจของตัวเองไว้ใจมันชอบหนีนะส่วนใหญ่จะหนีไปคิด นันถ้าเราหายใจไปใจมันไหลไปคิดเรารู้ทันใจจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้เจตนาจะตั้งเองหรือบางทีเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วจิตเราไหลเข้าไปอยู่ที่ลมพอเรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมนะจิตจะตั้งมั่นเองเมื่อไรรู้ว่าจิตไหลเมื่อ น, นั้นจิตจะตั้งมั่นใช้หลักตัวนี้ให้ดีนะถ้าได้หลักตัวนี้เรื่องการทาสมาธิให้จิตตั้งมั่นจะเป็นเรื่องง่าย เหมือนกับรู้หลักว่าถ้าอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่ อ, เ น, อเนื่องเนี่ยจะได้สมาธิชนิดสงบเนี่ยถ้าจะเอาสมาธิชนิดตั้งมั่นนะก็คือรู้อารมณ์ไปแล้วรู้ทันจิตนะถ้าจิตไหลไปเรารู้ทันจิตไหลไปส่วนใหญ่จะไหลไปสองแบบเวลาที่เราทํากรรมฐานเนี่ยอันนึงไหลไปจิตอันนึงไหลไปเพ่งอารมณ์เช่นรู้ลมหายใจก็ไปอยู่ที่ลมหายใจดูท้องฟองยบจิตไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปอยู่กับเท้าอะไรเงี้ยอยันนี้จิตมันไหลไป ไหลไปอยู่ที่มือที่ลมที่เท้าที่ท้องนะหรือไหลไปคิดไม่ว่าจิตจะไหลไปแบบไหนเรารู้ทันว่าจิตไหลนะจิตจะตั้งมั่นโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นนะเนั้นเมื่อกี้สอนหลักของสมถะนะทำให้จิตสงบโดยที่ไม่ได้เจตนาสงบมันสงบของมันเองไม่ได้ไปบังคับมันเวลาจะฝึกให้จิตตั้งมั่นก็ตั้งเองไม่ได้สั่งให้ตั้งแต่ว่ารู้ทันจิตที่ไหลรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น ถ้าเมื่อไรอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธนะจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะถ้าไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกไม่ห้ามอย่าไปห้ามไหลถ้าเราไปห้ามว่าห้ามจิตไหลใจจะเครียดใจจะเครียดเมื่อไหนสมาธิเสื่อมหมดเลยใช้ไม่ได้ต้องทําสบายๆนี่ฝึกไปอย่างนี้จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้ตัวที่จิตไหลไปหลวงปูดูลีว่าจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกนี่เรารู้ทันจิตที่ส่งออกนอก ไม่ใช่ว่าห้ามจิตส่งออกนอกนะให้รู้ทันจิตที่ส่งออกนอกทําไมไม่ห้ามเพราะหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะบอกว่าอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมสออกนอกธรรมชาติของมันต้องออกรับอารมณ์ภายนอกนะออกไปทางตาหูจมูกลิ้นแก่ใจนี้เป็นธรรมชาติของมันหนะ้าที่เราไม่ใช่ห้ามถ้าห้ามเมื่อไหร่ผิดธรรมชาติผิดธรรมชาติเมื่อไหร่เครียดเครียดเมื่อไหร่สมาธิแตกให้รู้ทันว่ามันไหลไป แค่รู้ทันมันก็ไม่หลงไปนานก็นจะกลับมารู้สึกตัวหลายอีกรู้อีกหลายอีกรู้อีกฝึกมากๆนะในที่สุดจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาคุณแม่จันดีเคยถามหลวงพ่อนะว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ภาวนามายัางไงจิตมาหลงที่เดียวกันจะมาเล่าให้ท่านฟังจะมาหายใจนะคุณแม่หายใจรรู้สึกตัวลมตื้นตื้นต้ น, ตนขึ้นกลายเป็นแสงนะ เป็นแสงแล้วก็จิตเคลื่อนไปจากแสงรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตจะตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาท่านะบอกว่าท่านนั้นหลักเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุโทโธหลตามหาบุวให้ท่านพุโทโธพุโทโธพุทโธนะท่านบอกท่านพุโทโธแล้วท่านก็รู้สึกอยู่ตัวนี้พุโทโธแล้วสบายตรงนี้สบายของท่านนะของเราอย่าเรียนแบบนะตรงนี้สบายของท่านถ้าเราอยู่ตัวนี้เราอึด อ, อัดอุ้ยปวดหัวปวดตาอะไรองี้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เอาให้สบายสบาย เน่แต่ท่านของท่านท่านเล่าไว้เนี่ยจิตท่านก็อยู่ตรงนี้ที่เดียวกับที่หลวงพ่อทํา่ะแต่หลวงพ่อมันกลายเป็นแสงนะท่านพอพุโทโธพุทโธแล้วจิตเคลื่อนก็รู้จิตเคลื่อนก็รู้ในสุดจิตจะตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาต่อท่านถึงบอกว่าจิตมันมาที่เดียวกันงั้นเคล็ดลับของการปฏิบัติให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นก็คือให้รู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นนะให้รู้ทันจิตที่ไหล ถ้ารู้แล้วจิตจะตั้งของจิตเองนี้พอได้จิตตั้งมั่นแล้วคราวนี้เราก็เดินปัญญาได้การเดินปัญญานั้นขั้นต้นต้องแยกธาตุแยกขันธ์ให้เป็นให้เห็นแยกรูปแยกนามถ้าพูดแบบปริยัตนะินะเรียกว่าแยกรูปนามนี่ครูบ า, าอาจารย์สายปฏิบัติบางทีท่านพูดละเอียดท้าปอีกท่านเรียกว่าแยกธาตุแยกขันธ์เพราะตัวรูปเนี่ยแยกออกไปได้อีกรูปแยกได้เป็นธาตุนี่ท่านว่าแยกธาตุรูปเป็นธาตุอะไรธาตุดินน้ำไฟลมนี่แยกได้อีกนะ แยกนามนามเป็นยังไงนามก็มีนะมีขัน4นะีลเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันแยกขันแยกธาตุแยกขั น, ก, ก, ขนก็คือแยกออกไปจนถึงสภาวะเชิงเดียวสภาวะที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี่เป็นสภาวะที่ซับซ้อนเกิดจากรูปนามจำนวนมากมารวมกลุ่มกันขึ้นมานะในกายเราเนี่ยมีรูปนามจานวนมากนะในจิตใจเราก็มีรูปนามจำนวนมากนี่รวมกันขึ้นมา รวมขึ้นมาแล้วสัญญาเข้าไปหมายรู้ไปสำคัญมั่นหมายผิดผว่านี่คือตัวเราที่จริงเป็นกลุ่มของรูปจำนวนมากเป็นกลุ่มของนามจำนวนมากอย่างในร่างกายเนี่ยประกอบด้วยธาตุดินน้าไฟลมแต่ละธาตุก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่ว่าธาตุเนี่ยมันเวลาเกิดนะเกิดดับนะตัวรูปเนี่ยเวลาเกิดดับเกิดเป็นกลุ่มๆเกิดเป็นกลุ่มๆเรียกกลาบกลาปะเกิดเป็นกลุ่มๆ นี่เราเดิมไม่ต้องแยกละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะเริ่มเริ่มตาตาค้างแล้วอะไรวะ <c oughs> มันยากเกินไปก็ไม่ต้องนะมีของที่แยกง่ายกว่านั้นนะคือแยกนามแยกนามธรรมารู้จักโกรธไหมโกรธเนี่ยแยกต่อไปไม่ได้ล้วแยกถึงที่สุดแล้งั้นเป็นตัวสภาวะธรรมแท้แล้วตัวโกรธตัวโลบโลบยังไงก็คือโลบโลบไม่เหมือนโกรธใช่ไหมโลบไม่เหมือนหลงโลบคือโลบ แยกต่อไปไม่ได้แล้วมีแต่รบมากกับรบน้อยนะแต่รบก็คือรบเมื่อรอบเนี่ยมีสภาวะทมเป็นตัวธรรมะแท้ๆเป็นสภาวะแท้ๆ แ, แล้วเราจะต้องแยกรูปนามนะจะเข้าถึงสภาวะแท้ๆของมันถ้าเข้าถึงสภาวะแท้ๆของมันตัวเดียวเชิงเดียวนะเช่นกกกโกรธก็คือโกรธรบก็คือรอบสตินะสมาธิปัญญาสติมันก็ไม่เหมือนสมาธิ สมาธิก็ไม่เหมือนสติปัญญาก็ไม่เหมือนสติไม่เหมือนสมาธิเนะี่ยอย่างนี้มีสภาวะที่เข้าไปถึงจุดที่แยกต่อไปไม่ได้เป็นของจริงๆที่มีจริงๆอันนี้เรียกว่าสภาวะธรรมมีรูปประธรรมกับ น, นามธรรมารวมทั้งหมดสภาวะธรรมรวมทั้งหมด72ตัว72ตัวนะมีนิพพานสักหนึ่งมีจิตสักหนึ่งอีก70ตัวเนี่ยเป็นรูปแท้ๆอยู่18ตัวที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนที่เกิดประกอบจิตเรีเจตสิก ห้าบสองตัวแต่ว่าเราเมสจําเป็นต้องแยกได้ทั้งเจ็สิบสองตัวนะอย่างน้อยตัวหนึ่งที่ไม่เคยเห็นเลยคือนิพพานนั้นไม่ต้องไปคิดแยกหรอกเราจะดูดูจนกระทั่งถึงสภาวะเชิงเดี่ยวของนิพพานจะไม่เห็นถ้าเป็นปู่ทุชนไม่มีทางเห็นจนะกลายเป็นหลงในช่องว่างช่องว่างไม่ใช่นิพพานเป็นอากาสานัญจายตนะนี่ราหัสดูสภาวะที่ง่ายๆที่เรามี พระพุเจ้ายกตัวอย่างมาสภาวะอะไรที่ง่ายๆที่พวกเรามีที่ใครๆก็รู้จักสุขรู้จักไหมสุขทุกข์รู้จักไห ม, ไหมเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์รู้จักไหมเนี่ยง่ายๆสภาวะอย่างเงี้ยนั้นมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะรู้จักโลภไหมรู้จักโกรธหลงไหมนะรู้จักอิจฉาดีใจเสียใจอะไรเนะี่ยอารมณ์นานานชนิดนะนี่เป็นสภาวะธรรมทั้งหลาย ความตรหนีรู้จักไหมความรู้สึกขี้เหนียวรู้สึกไหมรู้จักไหมอิจฉารู้จักไหมกังวลเป็นไหมอิจฉากังวลตรณีอะไรนี้ตะกูลโทสะนะอยู่ในตะกูลโทสะคือสภาวะอันนี้เกิดขึ้นแล้วไม่มีความสุขถ้าเป็นสภาวะที่เกิดแล้วไม่มีความสุขเนี้ยอยู่ในตะกูลโทสะถ้าเกิดแล้วเป็นอุเบกขาหรือว่ามีความสุขนะอาจจะเป็นกุศลก็ได้หรือเป็นราคะก็ได้เวลาจิตมีราคะมีความสุขนะ หรือเป็นอุเบกขาได้เวลาจิตเป็นกุศลมีความสุขหรือมีอุเบกขาได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตมีความทุกข์มีความเครียดขึ้นแม้แต่น้อยนะอันนั้นจิตเป็นอกุศลแต่ถ้าจิตมีความสุขไม่แน่ว่ากุศลหรืออกุศลต้องดูอีกทีนี่เราค่อยๆเรียนหัดรู้สภาวะเนี่ยท่านสอนดูกราฟิกสูทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาง่ายๆเห็นไหมราคาพวกเรารู้จักไหมราคาคือตัวโลภอะรู้จักไหมอยากโน่อนอยากนี่ ดุขรพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะเนี่ยตระกูลโทสะเกิดขึ้นมาก็ให้รู้ตระกูลโทสะดับไปก็รู้เนี่ยสภาวะเนี่ยของง่ายๆนะจิตมีโมหะหลงก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้เนี่ยท่านสอนจากสิ่งที่พวกเรามีเห็นง่ายๆนะเพราะฉะนั้นหัดดูสภาวะธรรมนะดูสภาวะธรรมไปถ้ารู้ประธรรมมันดูยากก็ดูนามธรรม รูปธรรมแท้ๆเนี่ยดูยากมากถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงนะยากที่จะเข้าไปดูรูปแท้ๆได้จะเข้าไปดูจนเห็นรูปดินน้ำใยลมอะไรเงี้ยดูยากอากาศธาตุเนี่ยดูยากรูปที่พวกเราเห็นเนี่ยเป็นรูปข้างเคียงเท่านั้นอย่างเป็นต้นว่ารูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่เรียกว่าวินยติรูปนะไม่ไม่ใช่รูปตัวจริงๆอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าเทียบเคียง เห็นในตัวที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่เราไปด้วยแต่ตัวที่ดูได้ชัดๆเลยนะไม่ดิ้นเลยนะคือความรู้สึกทางใจความรู้สึกสสสทางใจเนี่ยเป็นสภาวธรรมเชิงเดี่ยวจริงๆเลยโกรธก็คือโกรธรอดก็คือรอดสุขก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์ดูรับเพื่ออะไรไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบนะไม่ใช่ดูเพื่อปฏิเสธความทุกข์ความฟุ้งซ่านความเลวไม่ใช่ แต่เราดูเพื่อให้เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้ต้องการแค่นี้เองเช่นจิตโลบขึ้นมาก็เห็นจิตลอบเกิดจิตลอบดับไปก็รู้ว่าจิตลอบดับไปจิตโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตมันโกรธนะจิตโกรธดับไปก็รู้ว่ามันดับแค่นี้เองจิตที่มีความสุขเกิดขึ้นหรือความสุขเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้ความสุขหายไปก็รู้เราต้องการให้ดูให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับดูไปเรื่อยนะดูไป บางคนบารมีมากก็ดูไม่กี่วันเจ็ดวันบารมีปานกลางก็เจ็ดเดือนบารมีน้อยหน่อยก็เจ็ดปีนะถ้าอย่างน้อยมากๆเลยเจ็ดชาตินะไม่ไหวก็เจ็ดกลับอย่างนี้นะค่อยๆขยายไปนะยังไงก็ดูไม่เลิกหลวงา่อเคยเจอครูบาอาจารย์อง์หนึ่งนะท่านรูกสิษหลวงปู่มั่นนะท่านคุยกับท่านนะ่ะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะ พูดธรรมะกับท่านว่ต่อภาวนาอย่างนี้นะท่านน้ำตาไหลท่านบอกว่าเนี่ยรุ่นเดียวกับท่านนเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยท่านว่างี้คล้ายๆองค์ที่เชิดคอนะแต่นั้นสมัยพุทธกาลแต่องค์นี้ไม่ได้เชือดวันนี้ท่านก็ไม่สบายนอนอยู่แต่ท่านพูดอยู่ประโยคหนึ่งนะทําให้หลวงพ่อเนี่ยกราบท่านแบบเต็มไม้เต็มมือเต็มใจเลยท่านบอกว่าเราภาวนาเราไม่ได้อะไรเราก็ไม่เลิกอีกร้อยชาติเราก็จะภาวนา เนี่ยใจอย่างนี้นะใจเด็ดเดี่ยวมากเลยถ้าพวกเราดูสิพ อ, อนา ม, มาสามวันแล้วยังไม่ได้ผลเลยเลิกดีกว่าวาฟังแล้วลอยถ้วยนะเอาฟรินยาเอทไปเลยนะหลอยถ้วยไม่ได้เรื่องแล้วต้องสู้ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูไปถึงเมื่อไหร่ดูถึงเมื่อใจฉลาดใจฉลาดแนละ้วเราเห็นสภาวะมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับนะถึงจุดที่ใจฉลาดนะมันไม่ใช่มารู้ว่าความโกรธเกิดแล้วดับความโลภเกิดแล้วดับนะ แต่มันจะสรุปรวบยอดว่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับถ้าจิตมันเข้าถึงตัวนี้ได้ได้ธรรมะเบื้องต้นนะเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันธรรมะที่สูงขึ้นไปก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดดับคือรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดแล้วดับไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนเนี่ยที่จริงแล้วเป็นอะไรเป็นตัวทุกุรูปนี้คือตัวทุกุนามนี้คือตัวทุกุเรียกว่ารู้ทุกุเมื่อรู้ทุกุแจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะจิตจะสลัดคืนไม่ยึดถือในรูปนามมันจะไปยึดทําไมมันเป็นตัวทุกุ งั้นถ้าเห็นทุกข์นะจึงจะเห็นธรรมไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมงั้นภาวนาแล้ใจสงบใจสบายใจโล่งใจว่างนะอยู่กับว่างอยู่กับสุญญาตาไม่ได้กินหรอกถ้าได้ยินใครพูดอย่างนี้นะรู้เลยนะว่าพวกนี้ไม่ได้เจริญปัญญานะติดอยู่ในสมาธิชนิดสงบเท่านั้นเองชาตินี้หรืออีกกี่ชาติก็ไม่มีทางเลยถ้าไม่ได้เจริญปัญญาถ้าเจริญปัญญาเนี่ยจะมารู้รูปธรรมนามธรรมเห็นรูปธรรมนามธรรมนะตกอยู่ใต้ไ ต, ไตรลักษ เกิดนะแล้วดับเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นะตอนที่ยังไม่ทันจะดับก็ถูกบีบคั้นเพื่อให้ดับไปเรื่อยๆนะเรียกว่าทุกขังอันนีจังหมายถึงว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วก็ดับไปของที่มีนะหายไปเรียกว่าอนนีจังทุกขังก็คือของที่กำลังมีอยู่นี่ถูกบีบคั้นเพื่อให้ดับไปให้หายไปอนัตตาคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่จะมีอยู่หรือจะตั้งอยู่หรือจะดับไปนะเราสั่งไม่ได้เป็นไปนตามเหตุ เนื้อใจมันจะเห็นความจริงอย่างนี้นะพอเห็นความจริงอย่างนี้เน้อใจถึงจะเรียกว่ารู้ทุกเพราะ่อรู้ประธรรมนี้เป็นตัวทุกนามาทำนี้เป็นตัวทุกเมื่อรู้อย่างนี้จิตจะวางน้อยคาว่ารู้ทุกนี่เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยถ้าไม่รู้ทุกจะไม่เห็นธรรมนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญทุกให้รู้ไม่ใช่ทุกให้ละนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกให้หนีทุกให้รู้อะไรเรียกว่าทุก ไม่ใช่ความทุกข์นะสีที่เรียกว่าทุกข์คือรูปธรรมและนามธรรมถ้าเรารู้รูปธรรมรู้นามธรรมไปอย่างถ้าคนไหนดูอะไรไม่เป็นเลยโกรธอย่างเดียวก็เห็นเลยเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายแค่นี้พอแล้วที่จะบรรลุธรรมอ่านะแค่นี้เองไม่ได้เยอะอะไรกรรมฐานสําหรับคนคนหนึ่งไม่มากอะไรหรอกนะเราดูตัวที่ของเราเกิดบ่อยเราก็ดูตัวนี้เป็นหลักไว้ตัวอื่นเป็นของแถม เ, เห็นดด asi, เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวกว็หายเดีด๋วยวก็โกรธเดี๋ยวก็หายสุดท้ายปัญญามันเกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ แล้วต่อไปมันจะรู้เลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปเรียกว่ารู้ทุกข์นะถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยใจจะหมดความอยากหมนความหิหวโหยมันหิหวโหยขึ้นมามันก็คืออยากให้ร่างกายให้จิตใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์พอมันรู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะความอยากไม่เกิดอีกเพราะความอยากเกิดจากความไร้เดียงสาเกิดจากความไม่รู้ถ้ารู้จริงในธาตุในขันนี้แล้วนะ ตันห์จะไม่เกิดเมื่อรู้ทุกข์เมื่อไหลละสมุทัยเมื่อ น, นั้นทันทีที่ตันหาดับเข้าถึงความดับสนิทนะนิโรธคือพระนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเพราะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตันหานิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะถ้าเราได้ยินใครสอนว่านิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งมีพระพุทธเจ้านั่งเข้าแถวอยู่เป็นจํำนวนมากให้รู้ว่านั่นคือนิมิตไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านิพพานจริงๆคือสภาวะที่สิ้นตันหาใจสิ้นความหิว่ ใจก็จะเข้าสัมผัสนิพพานมีความสูงอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องรอตายแล้วไปเข้านิพพานที่ไหนเลยนิพพานที่เข้าเข้าออ ก, ออกได้ไม่ใช่นิพพานตัวจริงนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตาไม่เคยหายไปไหนเลยใจเรามีความอยากมันก็เลยมองไม่เห็นเพราะรู้ทุกเมื่อไหร่ล้สมุทยัยเมื่อนั้นล้าสมุทยัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือแจ้งนิพพานเมื่อนั้นในขณะที่แจ้งอนิพพานนั้นอริยมรรคก็เกิดในขณะนั้น งั้นการรู้ทุกข์ลาสมุทยัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะจิตเดียวนะเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยเป็นเรื่องอัศจรรย์นะขณะเดียวนะั้นที่กระเถอนโลกาธาตุเลยนะวัตตะถล่มลงไปเหมือนวัตตะมันหมุนติ้วๆอยู่กลางอกเรานี่เองนะแล้วธรรมะ ม, ามันแจ้งขึ้นมารู้ในของทุกข์แยมแจ้งนะวัตตะนี้ถ ล, ล่มคลืนลงตรงหน้าเลยหลังจากนั้นก็จะมีชีวิต ท, ที่สงบสุขนะอะไรจะเกิดขึ้นไม่กระเทือนเลย ชีวิตจะมีแต่ความสงบสุขมีแต่ความสันตินั้นถ้าถามว่านิพพานมีลักษณะอย่างไรนะตอบพระไปเสียงดังๆบอกว่าจำมาว่านิพพานมีลักษณะสันติสันติลักษณะนิพพานอะรู้จักโทสะไหมมีลักษณะของมันใช่ไหมโทสะเกิดขึ้นมาแล้วแหมมันทําลายล้างอย่นะรู้จักโลภะไหมมีลักษณะของมันนะมันดึงเข้ามาใช่ไหมดึงอารมณ์เข้าหาตัว โทรศท์มทำลายผลักออกไปเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวมีลักษณะสติก็มีลักษณะของมันคือลักษณะไปรู้ทันสภาวะที่กำลังเกิดปัญญาก็มีลักษณะคือเข้าใจความจริงของสภาวะสมาธิก็มีลักษณะคือความตั้งมั่นอันนี้ผ่านก็มีลักษณะสันติสงบแต่ไม่ใช่สงบแบบสมาธินั่งให้สงบนะ สงอบอยู่ได้ตลอดเลยทั้งวนันทั้งคืนเพราะหร่จิตไม่กระเพื่อมเลยจิตไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวเลยฟ้าผ่าเพลียงในจิตไม่ไหวเลยนะไปเรียนนะวันนี้หลวงพ่อสอนค่อนข้างละเอียดในฐานะที่พวกเราส่วนใหญ่เคยฟังมาแล้วนะงั้นหลวงพ่อก็เลยหาธรรมะที่ประณีตมากขึ้นอย่างน้อยเจริญปัญญาไปแล้วดูจิตดูใจทํางานไปถ้าวันไหนดูจิตไม่รู้เรื่องดูกาย ถ้าดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายก็ไม่รู้เรื่องทำสมถนะเนี่ยสอนหลักของสมถะให้แล้วไปทำทำแล้วจิตใจจะแช่มชื่นมีแรงกลับมาดูจิตได้ไหมนะงั้นการภาวนาจะรับรื่นมีความสุขมีความสุขตั้งแต่ยังไม่ทันบรรลุอะไรเลยนะเพราะอะไรเพราะมีสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่มีที่พักเป็นช่วงช่วงช่วงไปถ้าไม่มีเลยเนี่ยใจจะแห้งแง้งแต่แห้งแรงแล้วไปได้ไหมได้แต่ไปแบบแห้งแง้งนะ ถามาไปได้ไหมส่วนใหญ่ท่านไปด้วยวิธีแหกแลกนี่แหละหละ้ามดูดนะพอสมควรแค่เวลาครับนบมัสเซนลุงพ Thank you พูดไทยชัดนีด่ <laughs> <laughs> ขอบคุณครับ My name is Flavio I'm from Brazil and I live in Thailand for a year now and I was raised Catholic but I'm very interested in the teachings of Buddha and very open to them ความนามัสการหมือพ่อนะคะคือเขาบอกว่ า, าชื่อฟลาวิโอนะคะเข้ามาจากบราซิลและเขาก็มีความสนใจในคำส่งสอนของพระพุทธศาสนามากถึงแม้ว่ า, าครอบครัวจะเกิดมาในศาสนาคริสต์นะคะ and I came across your teachings about six months ago on vipassana and uh, the mindfulness and self-awareness uh, they came to me in a very spontaneous and Way as a flow, and I can perceive the aggregates quite often, but not with a uh, specific discipline. Uh, it's something that I could experience since a long time, but I didn't quite understand since I came across to to your teachings. Yeah, um, mm he -hmm. said that since he was <laughs> a child, he felt that he had awareness and he felt that he was a person, but he didn't know what he was. นะคะและเขาก็คิดว่าเขาทราบว่าขันทําทำทำงานอยู่ด้วยน ะ, ะ mm hmm. ท่านถูกแล้วละ่ะขันเขาอยากได้นะ and a few months ago I uh, e v e n experiment uh, one day I was lying down on bed and very spontaneously it came to me and it was almost as I could perceive uh, my body and my mind from the outside and I wasn't scared at all but it was a very strong uh, feeling And it came, and it lasts for a few seconds, but it g o away. And I think it was a, a very strong uh, a moment. Yes. He said that at the beginning, that is, he read the b o o ะ of his father for about six months. At the beginning, he felt that he saw himself sleeping, and then he was a little surprised, saying, "What is this f e e l า n g And he felt that he might be hit. Hit? Yes. Uh, but since I'm, uh, it's coming very spontaneously and in a very intuitive way. Sometimes I don't know if I should be doing uh, anything different or if I should just keep on this path, or if I should uh, try to study or practice with a little bit more discipline than just like following uh, the flow as it comes. ค่ะก็เลยจะขอกาเรียนถามหลวงพ่อว่าที่เาทอยู่เนี่ยถูกต้องแล้วควรจะดเนินต่อไปอย่างไรตามแนวทางนะคะถูกแล้วนะแต่ว่า ถามว่าปะกะติจิตเหมือนตอนนี้ไหม uh, uh, now your mind uh, is it the same as you used to uh, feel it right now right now uh, no my mind at this moment uh, I, i feel it is but while, while we were speaking uh, I, i i think I, will, i i could perceive things in a little bit uh, a more distant way from what i'm used to <ล>เขาบอกว่าไม่ไม่เหมือนแต่ปกติที่เขารู้สึกกับคดานเพราภาวนาถูกแล้วล่วนะให้ให้รู้ตัวนี้ต่อนะเวลาจิตมันไปคิดจิตมันเคลื่อนไปคิดรู้ทันไม่ห้ามนะแค่รู้ทันเฉยๆเนื่อที่ภาวนามาใช้ได้เลยนะนี่ขนาดอ่านหนังสือนั้นเนี่ย แล้วมีอีกที่นึงนะคะคือเขามีวาระที่จะอยู่เมืองไทยสองปีนะคะท่านและเขาอยากจะมีโอกาสได้บวชเรียนไม่แน่ใจว่าอีกสักปีหนึ่งเขาจะพร้อมแล้วก็บวชเรียนจะเหมาะสมไหมนะคะบวชไม่ใช่โซลูชันหรอก <Okay. S 1> เวลาบวชนะต้องไปปรับตัวต้องอะไรมากนะเสียเวลาภ <Okay. S 1> อนาในเพศครวาสเนี่ยทำไดไ้ไม่จนเป็นนะเวลาบวช ต้องปรับตัวเยอะเลยเสีย<ม>เวลาหลายเดือนเลยกว่าจะปรับตัวได้ถ้าเวลาเราน้อยนะอยู่ในครวาสอย่าง น, นี้ภานาไปเลยก็คือให้เขาพอในะอย่างที่ทขาทำอยู่ใช่ไหมคะท่านเขาทำได้นะดีอยู่แล้วไปบวชตั้งวันวันนี้ต้องต้องรีบตะลีตาลานตื่นตื่นแล้ ว, ต, ลวต้องพยายามเข้าส่วมไม่งั้นตอนไปบินธบนะัตะจะทําไงอ่ะใช่ไถ้ายุ่งตั้งแต่ตื่นเลยนะแล้วมันจะกว่าจะปรับตัวได้เนี่นาน แล้วทำไงผ้าไม่มีกระดุมสักหน่อยนะอยู่ได้ยังไงเดินเดินไปมันไม่สามารถขีกับเราอนะังนั่นปวดใหม่ๆลำบากน ะ, mm hmm. ะกั่นอย่าปรับตัวได้เสียเวลาพอนายอย่างนี้ดีกว่า mm hmm. So uh, I, I was asking หลวงพ่อ about the you would like to practice monkhood mm hmm. and he said that uh, in this condition as we are a normal like a layman it's already suitable for you Because if you want to enter and practice monkhood, then you would have to uh, waste a lot of time, mm -hmm. uh huh, and month to do many things that a uh, in in terms of uh, being monk. g mm -hmm. So the way that you are practicing is the right way already. Mm -hmm. Thank you, Nakar. Talk Put Thai chat, but some p e o p l I the kids, <laughs> they may thank you n เหลเราทําแบบมันไม่ได้มันทําลิ้นแบบแบบเบขากาศส่ง ส, ส่งกันบ้านนะคะไม่ได้แสฟครับ ไม่ได้ส่งมาประมาณหปีแล้วค่ะท่านแล้วก็ข้อวัดยังไม่ทําได้มากก็ตัวเองจะมีความโกรธเยอะเมื่อกี้นี้ได้ทันหลวงพ่อสอนว่าดูตัวโกรธก็จะใช้ตัวโกรธที่เป็นประโยชน์แต่นี้จะเรียนสอบถามว่าปกติจะพยายามดูกายนะคะเวลากายเคลื่อนไหวแต่ใจมันคอยจะโผล่ขึ้นมาหรือว่าไหลไปอันนี้ไม่ได้ใส่ว่าทำทุกข์ด้วยหรือเปล่านะคะคือ โดยนิสัยนะตัวที่ดูง่ายอ่ะคือตัวโกรธมันเด่น เ, เวลาใจมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ทันแล้วก็เห็นมันหงุดหงิดได้เองเดี๋ยวมันก็หายของมันเอ ง, อคเ ง, ออเงแค่รู้ความรู้สึกไปไปดูกายเนียจะเพ่งเน่เดี๋ยวจะไปติดเพ่งซะแค่รู้ความรู้สึกไปกราบกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะ ตอนนี้จิตมือโมหะเยอะมากเลยอืเข็นด้วยคก็ไม่มีอะไหนนอกจากว่ามาไกลก็อยากให้หลวงพ่อชี้ทางต่อให้เร็วๆหน่อยใช่ไหมไม่มีก็ก็เห็นอยู่8ปีก็ได้ผลว่ากิเลสเห็นกิเลสมันน้อยลงนะคะแต่ก็ยังเห็นว่ามันมีอยู่อีกเยอะมากมายเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะล้างกิเลสแต่เราฝึกให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้ นี้ถ้าเราตั้งเป้าฝึกให้มันไม่มีกิเลสกิเลสมันมีเหตุมันก็เกิดอย่างถ้ากระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจจิตมีพยาบาทวิตกตรึกในอารมณ์ที่ไม่พอใจโท่สาก็ต้องเกิดเพราะเหตุของมันมีนี่อนุสัยก็ยังมีจะไม่ให้เกิดไม่ได้งั้นภาวนาเนี่ยไม่ได้เน้นว่าจะมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยแต่ภาวนาเนี่ยกิเลสเกิดแล้วรู้สติให้มากไว แต่ถ้าตั้งเป้าผิดน้มันเหนื่อยว่าไม่ผิดเรออาจจะพูดผิดก็่รู้กิเดสอยู่แต่ว่าก็ไม่มีอะไรก็ยากไม่ผิดใช่ไหมคะยังถูกทางอยู่รู้สึกไหมใจมันขับคล้องใช่ไม่ถูกหรอกไม่เห็นใจที่คับค้องใช่สมาธิน้อยไปไหมคะใจมันอยากรู้สึกไหมใต้ลงไปแนละ้มีความอยากมุณน่าจะมีค่ะมีไม่น่าจะ เนี่อรู้อย่างนี้นะรู้เข้าไปกระท้อกเปลือกตัวเองเข้าไปรู้ซื่อใจกล้าๆนะค่ะเรียนรู้ความบกพร่องเรียนรู้กิเลสของเราเนี้ยรู้ทันนเข้าไปยังมีอยากลึกๆใช่ไหมคะใช่เหมือนแกล้งก็จะไม่รู้ว่าจะรู้แล้วเนี่ยไม่อยากหรอกใันแล้วไม่อยากแล้วนักเดี๋ยวนี้เดี๋ยวว่าเมื่อไหร่จะได้สาธุให้เห็นตัวนี้นะจ้าคะเอินนะรู้ทันแล้วการภาวนาจะสบายนะ มันจะเคลียดไปของแม่ชีนั้นมันดิ้นรนเยอะไปพอนาสบายพอนางโง่ๆได้ก็ไหลก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันเราดีแล้วที่ได้ภาวนาถ้าทำใจอย่างนี้ได้นะจะไปได้เร็วดีแล้วเราที่ได้ปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะดีต่อเมื่อได้ไม่ได้ภาวนาเพื่อจะเอามันมันเหมือนกับว่ามันไม่มีอาชีพอื่นเห็นไหมเห็นใจไหมนั่นแหละเหมือนโลภอย่างนั้นนะใช้คำว่า มันบวชได้ไม่มีหน้าที่อื่นมันก็ต้องภาวนาค่ะหลวงพมันก็บีบคั้นเนี่ยหลวงพ่อถึงบอกฝรั่งไว่าอย่าเพิ่งบวชเลยถ้าบวชแล้วเขาจะลุยแบบนี้นะมีเวลาสองปีหมดเลยอะแต่ไม่จริต้องบวชอยู่นะคะบวชบวชไปบวชแล้วจะสึกทําไมล่ะเพราะว่ามันชื่นมันชื่นใจในการเป็นเป็นนักบวชที่เขียนภาวนาค่ะหลวงพ่อมันชื่นใจที่ได้บวชน่ะนั่นแหละ แต่เอ๋ห <ๆ S 1> ลวงพ่อม า, มากบอกหลายคนว่าอย่าบวชมี่ชีก็เริ่มลังเร่อใชไมี่ย <laughs> <laughs> นี่บวชไปแล้วงานก็ลาออกไปแล้ว <laughs> บวชแล้วหลวงพ่อใช้ชีวิตนะให้มันสบายห <laughs> มายถึงไม่ใช่สุขสบายอย่างโลกๆหรอกสบายในการภาวนาของเรา <laughs> เอาเวลาเนี่ยมาภาวนานได้ไม่ต้องยุ่งกับอื่นจ้ <laughs> <ช>ยังทํากิจกรรมเยอะอยู่รึเปล่าไม่เลยหลวงพ่อ <laughs> สบายมากเลยอยู่วัดนภาวนานอย่างเดียวดีดี ผู้หญิงนะไปบวชนั้นลำบากงานเยอะบางวัดนะเขาใช้แม่ชีนี่อไรไปทำไร่อยู่บ้านทำนามาบวชทำไร่บวชหาสบัดวิมานเลยที่ไม่เป็นค่ะที่วัดสบายมีแม่ชีตามไปบวชเยอะอยู่ทุกค่ะเราไม่ได้เอาสบายหรอกนะบวชเราพาวนาให้สบายมีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับ ดูรูปนามดูคันท่าทำงานไม่ดูคนอื่นเิค่ะ เ, เลิกภาวนาสักพักดี<อ>ไหมคะหลวงพ่อเลิกภาวนาไปสักพักรู้ไม<า>ไม่ได้ไม่ได้ของแม่ชีต้องภาวนามไม่เลิกเลิกเพ่ออะไรฟุ้งแหลกเลยเจ้าค่ะเพราะโดยพื้นเนี่ยฟุ้งเก่งอยู่แล้วให้คนเห็นบ้างค <สา S 2> <ป>่ะถูกเจ้าค่ะของหลวงพ่พอคะ่ะนักมศการหลวงพ่อคะ่ะไม่ได้ส่งการบ้านมาปีหนึ่งคือจิตมันมันถูกคล้องงานด้วยความกลัวเนี่ยเป็นปีแล้วเพราอมันมันเสียดายอ่ะ ไม่ไได้อะรมันเสียดายเอ๊ความสําคัญของตัวเองที่อุตส่าห์แบบเหมือนกับว่าสร้างเปลือกขึ้นมาเยอะอแืแล้วแล้วพอมันไปเห็นของจริงว่ามันไม่ได้เรื่องอื ม, มันทั้งอ่อนแอทั้งหลอยถ้ยอืยแล้วมันก็เลยเศร้าเศร้ า, าแล้วก็รับความจริงไม่ได้ทีนี้มันก็เลยพยายามตะเกียกตะกายใหม่ที่จะหากรรมฐานเพื่อให้อยู่อย่างสงบ วิธีการก็คือดูตรงๆเข้าไปที่ความรู้สึกเศร้าค่ะดูเข้าไปตรงๆมันเศร้าอยู่เพราะ้ความเศร้าจะครอบจิตแล้วดูเข้าไปตรงๆมันจะครอบไม่ได้แล้วไอตัวที่มันบีบคันจี้จี้ตรงนี้แล้วก็คลายบีบตรงนี้มันเจ็บมากเลยมันคืออะไรคะเป็นเวทนาลองไม่ต้องไปค้นหาว่าไม่ต้องค้นหาว่าเธอมาจากไหนไม่ใช่ใช่ส่วนมากจิตจะชอบค้นหาคำตอบเอให้เห็นน่าเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนา แล้วมันก็ดับไปใช่ไหมคะมันดับไหมล่ะมันดับค่ะเออแล้วจะมาถามทําไมแต่มันกลัว ม, <า>มันปรุงแต่งต่อเอออย่าไปปรุงต่อให้ร่วเรู้เราปัจจุบันแล้วก็จบลงตรงนั้นแหละสรุปแล้วหนูไม่ต้องมีกรรมฐานนอกจากดูติดไปตรงตรงรู้อย่างซื่อใช่ไหมคะรู้ซื่อไปไม่ต้องไปเสสร้างดัดแปลงควบคุมบังคับกดข่มเ <laughs> พราะว่าทํามาหมดแล้วทําไปก็ไม่ได้ผลอะไราใช่ก็ไม่ได้ผลเลยเจ๊งทุกเจ๊งทุกท่า นั่นแหละความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นสอนมาตั้งนานนะคืมันมันโง่ะ哈โง่แล้วก็ดื้อจริงจริงดื้อเนี่ยที่หนึ่งนะใช่ใช่อยู่ในกลุ่มอันดับท็อปเตนเลยแล้ใช่ใช่แต่ว่าความทุกข์เนี่ยจะทําให้เราหายดื้อชทุกมากค่ะมากสาหัสมากเออพอเห็นทุกข์ก็สุดท้ายมันก็ต้องยอมรับความจริงแล้วค่ะดังนั้นตอนนี้งานเร่งอยู่ตอนนี้นะรู้ทัน ความทุกข์อความเศร้าอ่ะทำไม่พอใจดูเข้าไปตรงๆอย่าให้ครอบจิตค่ะต่อไปแต่ว่าที่ผ่านมาปีหนึ่งไม่ใช่เหลวไหลนะจิตมันมีพัฒนาการขอบพระคุณค่ะธาตขันมันแยกเินชำนาญหนูก็เลยยังกลัวบ้างยังยังมีอยู่อ่ะกลัวก็ดูกลัวไม่ใช่คล้ำครวนโอเคอ่ะค่ะ นมรสการหลวงพ่อครับ okay, <ผม S 1> เล่นไปเยอะผมส่วนมากดูแค่เวลาเดินก็ดูเท้ามันเดินฮะถีบจักรยานออกกําลังก็ดูมันถีบไปแค่นี้อารมณ์อะไรไม่ค่อยได้ดูไม่ทราบพอจะมีแหววบ้างไหมครับร่างกายนั่นแหละตัวอารมณ์เราใช้กายเป็นอารมณ์ับได้รูปเป็นอารมณ์ครับเห็นรูปมันทํางานครับแใ่เราอยู่ตางหาเป็นคนดูสังเกตไหมขันมันแยกได้ครับขันมันแยกแล้วล่ะขันภาวนานไม่ยากแล้ว มันอยู่ที่ว่าจะดูได้มากแค่ไหนดูจนมันพอคำว่าพอก็คือใจยอมรับความจริงว่าไอ้ตัวที่เดินอยู่ตัวที่ขี่จักรยานอยู่ไม่ใช่เราหรอกรนะจิตที่ไปดูก็เป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งเป็นสภาวะธรรมอันหนึง่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราอีกดูถ้าจะดูกายก็แค่เห็นกายกับจิตที่รู้กายไม่ใช่เราดูอนี้ขอบคุณหลวงพ่อครับ แบบนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อหนูส่งกันบ้านในรอบครึ่งปีอะคะอ่ะอ่าก็ที่ผ่านมาหลวงพ่อกเคยแนะนําให้อ่าไปแยกธาตุยกขันเลยก็ไปกลับไปดูแล้วสิ่งที่หนูติดรู้สึกติดติดอยู่รู้สึกเหมือนกับตัวสังขาระขันนะคะที่มันมันมนคิดกับจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันมันไปเหมือนกับความคิดเกิดแล้วจิตอกุศลเกิดตามอะไรเงี้ยค่ะความคิดเนี่ยไม่ใช่สภาวะธรรมนะ S <S ไม่เป็นไม่ใช่รูปธรรมนามธรรมความคิดนะในคิดอะไรก็ช่างมันแต่พอคิดแล้วเกิดความรู้สึกอะ่ะแนี่เรารู้ถึงความรู้สึกงั้นปล่อยให้ใจคิดแต่ว่าพอคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลนีน้นนรู้เราจะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวอันนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาแล้วดีขึ้นเยอะเลยนะเอแต่บางทีมือนแตบางครั้งขนาดไหวพระว่ า, า, าตามหรือว่าแปะทองที่พระก็จะเห็นจิตที่แบบหลุดความคิด หนูไม่แน่ใจว่าจิตหรือความคิดที่มันเป็นอกุศลเกิดขึ้นในใจเ อ, อ, ยอย่างนั้นเรารู้ว่าอากุศลเกิดขึ้นแล้วก็รู้ยังดีเปรียแปลงทองพระบางคนมันลอกทองพระนะก็เลยแบบเหมือนก็รู้สึกเหมือนกับผิดผิดในใจไม่ไม่ผิดถ้าจิตเป็นอกุศล ร, รู้ว่าเป็นอกุศลใช้ได้เป็นบุญใหญ่นะออะต่อไปธรรมส ก, การ์ชุกค่ะ ออตอนนี้สถานะของหนูยังเป็นค า, ารว่าอยู่หนูขอกล่าบถามเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิเจ้าค่ะถ้าเกิดอุปจาระสมาธิเนี่ยอนนี้ถามมาจากการปฏิบัติแล้วก็รู้สึก น, นะเจ้าค่ะอุปจาระสมาธิไม่แน่ใจว่ามันถูกไหมเพราะว่าระหว่างช่วงตรงนี้ที่เกิดขึ้นมันจะมีการถึงแม้ ว, ว่าเวทนาจะเกิดมันก็ยังคิด ควดคู่พิจารณาไปแต่ว่ามันเจ็บปวดเพราะว่ายังมีความเจ็บแสกอยู่เยอะอยู่มากแล้วเมื่อหนูพยายามทําต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าจิตสงบเข้าไปเรื่อยๆจนเวทนายังอยู่ความเจ็บปวดยังอยู่แต่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันแยกออกมามทำให้หนูไม่ดิ้นรนหนูขอถามตรงนี้ว่าตรงนี้นี่มันคืออัปปนาหรือเป็นอะไรคะไ ม, ไม่ไม่เป็นอัปปนานะ เย่มากก็เป็นอุปจาระตรงนั้นนะ่ะจิตมันเด่นรวงขึ้นมาน ะ, ะมันยังไม่ได้มีมุงของฌานขึ้นมามันมีวิตกพิจาร์ไม่มีปีติสุขะแต่ว่ามันได้เริ่มมีเอกตาต้นๆนะแล้วคราวนี้หนูอยากจะถามว่าถ้าการดูลมหายใจเข้ารู้ออกรู้แต่คราวนี้หนู รู้สึกว่าถ้าเข้ารู้ก็ต้องตามสติไปให้ถึงจนสุดสายของการรู้แล้วก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องไล่าตามลมไปนะแต่ว่าหัดใหม่ๆห่บางทีเราไหลตามลาา ม, ลม<ช>แต่เวลาตามลมอย่าให้จิตไหลไปที่ลมก็แค่เห็นว่ามันหายใจยาวไปเจอไหนก็รู้นะรู้ตัวค <ะ S 2> ทําให้ดูสิบรรยายเป็นพูดยากไป โทสาแทรกก็เท่ารู้นะทาไม่ได้มันตื่นเต้นใช่มันโมหะเข้านะแต่คราวนี้ว่าหนูจะถามเป็นแค่ทฤษฎีก่อนว่าแต่ตอนปฏิบัติมันมันมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะทฤษฎีก็คือว่าการเข้ารู้แล้วก็ต้องมีสติไปให้จนถึงสุดสายของการเข้าแล้วก็มีสติของการ <คำ S 2> ออกเข้าหมายถึงอะไรหายใจเข้าออ หายใจเข้าตามมันไปไม่ว่าจะสั้นหรือยาวคือจริงๆไม่ได้ตามหนูหายใจจะเข้าหายใจจะออกเนี่ยเราไม่ขาดสติเลยเราไม่ไม่ส่งจิตตามลมไปนะค่ะแต่ว่าทาใหม่ๆมันยากพอส่งจิตตามไปหนูรู้สึกเหนื่อยแต่ที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องส่งจิตนั่นคือว่าให้แค่ เป็นผู้รู้เฉยๆใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้หนูกำลังฝึกให้เป็นผู้รู้อยู่เฉยๆอยู่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เพิ่งเกิดมาเมื่อวันซื่อวิธีฝึกง่ายๆนะอย่างพูดอยู่เนี่ยเห็นร่างกายมันพูดใจเป็นคนดูเดินอยู่เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูควาดวัดเห็นร่างกายมันควาดใจเป็นคนดูแล้วก็หายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนั้นแต่คราวนี้อยู่ดีๆเมื่อวันซื่อจิตมันเหมือน จิตมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ไปนั่งสมาธิต่อแล้วก็ได้ฟังธรรมะแล้วคราวนี้หนูก็เลยอยากจะถามทฤษฎีตรงนี้เพื่อวันหนึ่งถ้าจิตมาลงตัวแล้วมันต่อยอดของมันเองได้ไหมคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าหายใจเข้าเรารู้แล้ว ร, รู้ไปถึงจุดสูงถึงปลายของการเข้าเสร็จแล้วก็รู้มีสติระ ล, ลึกรู้หนูคงหนูควรจะต้องใช้คําว่ามีสติระ ล, ลึกรู้ถึงการหายใจออกแล้วตัแล้วมีสติระ ล, ลึกรู้ตาม ไม่ใช่ตามลมแต่ว่ามีสติระลึกรู้ถึงการหายใจออกจนสุดสายอืซึ่งตรงนั้นแล้วถ้ามีสติจับดีๆมันจะเห็นช่องว่างของการออกใชหยุดแล้วเข้าใช่ไหมคะใช่ข่าหนูยังทำ ไ, ไดำ้จุดสาคัญจุดสําคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวร่างกายนะนะค่ะสมาธิเนี่ยทําเพื่อให้จิตสงบจิตตั้งมั่นจุดสําคัญอยู่ที่จิตแล้วเรามีสติรักษาจิตอยู่อันนั้นเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ เวลาที่จิตสงบลงลงมาเนี้ยนะลมจะค่อยๆตื้นๆตื้นๆเมื่อทั้าทางลมมันหยุดนะแต่จิตถ้ามันทรงตัวเด่นดวงอยู่รู้เนะื้อรู้ตัวอยู่ะมันไม่ใช่ว่าไปยุ่งอะไรกับลมลบมันทิ้งลมไปค่ะพอถึงตรงนั้นแล้วจิตมันเปลี่ยนฐานจากที่ปลายจมูกพอหนูรู้สึกเริ่มสงบแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับการที่มันตามรู้นะคะไม่ต้องเ <นะ S 1> ไม่ต้องแต่<ร>ามันเปลี่ยนยที่ใช่แล้วก็รู้ตัวเนี้ยแล้วก็ส่งไปเนี้ยนะ มันเปลี่ยนที่จะไปลายจมูกพอเริ่มสบายแล้วห น, นูเห็นแค่ร่างกายมันรตรงหน้าอกกับเพื่องเฉยแล้วคราวนี้หนูเกิดความเบาสบายขึ้นมาแล้วคราวนี้หนูมีคําถามตรงที่ว่ า, าถ้าสมมุติว่าเรานั่งจนถึงละเอียดแล้วเหมือนกับจะไม่หายใจพอสิ้นลมตรงนั้นแล้วจริงๆมันไม่ได้สิ้น จะให้หนูดูอะไรต่อหนูจับตัวที่ผู้รู้รู้ว่าไม่หายใจไหมคะคือถ้าคิดจะดูอะไรต่อเนี่ยจิตจะฟุ้งซ่านทันทีเลยแล้วเรารักษาสติไว้พะจิตรวมลงเนี่ยมันตัดการรับรู้ร่างกายที่หายใจออกมันจะเหลือแต่ความรู้ตัวทรงตัวเด่นดวงอยู่ถามว่ารู้อะไรไม่ได้รู้อะไรรู้ตัวอยู่ ค่ะแต่คราวนี้ทั้งชีวิตของหนูมันวนเวียนตรงนี้พอมันขึ้นมาถึงได้ตรงที่ละเอียดแล้วเหมือนไม่หายใจหนูก็ไปวกกลับไปควานลมมาเพื่อที่จะไม่ถูกนะพอไม่ถูกตรงนี้หนูถึงถามว่าถ้าจะดิ้นต่อเสื้อสงบอยู่ตรงนั้นแหละอย่าให้ขาดสติให้ดูที่ตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าไม่หายใจไหมคะอย่าไปจงใจดูสิถ้ายังจงใจอยู่หรืวจิตก็ฟุ้งอีกมันจะไม่จงใจนะ หลวงพ่อฟุตเคยสอนนะว่าสมถะเนี่ยเรื่องมื่อหมดความจงใจนิพพสนาเรื่อ ม, มืหมดความคิดงั้นถ้าบอกว่าโตถึงตรงนี้แล้วทำอย่างนี้ต่อจงใจสิจะไม่เข้าอภรณ์จริงหรอเจ้าค่ะถ้างั้นหนูจะถามต่ออีกสเต็ปนึงว่าถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วที่ดูเหมือนว่าจะไม่หายใจจะมีอีกขั้นหนึ่งไหมคะที่ว่านั่งไปแล้วสงบไปเรื่อยๆกับดูเหมือนว่าไม่หายใจ มีการอัดลึกให้ไม่หายใจเข้าไปอีกขั้นหนึ่งอะไรนะมันเหมือนมีการอัดลึกให้ไม่หายใจไปอีกขั้นนึงให้ลมหายใจละเอียดขึ้น ย, ยไปโจงใจนะถ้ามันเป็นเองไม่เป็นไรมันเป็นเองค่ะเออมันเป็นเองไม่เป็นไรอย่าให้ขาดสติเท่านั้จับจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่าให้ขาดสติไปถ้ามีสติอยู่ตลอดสายแล้วก็รักษาจิตอยู่ได้ถ้าขาดสติก็หลอนเราเลยค่ะ คําถามที่สองอขออนุ ญ, ญาตถามาเรื่องถึงธาตุนะคะถึงถึงธาตุนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าถ้าตอนนั่งแล้วเวทนามันเกิดตอนนี้หนูไม่ได้ใช้พวกสมาธิดูแต่ว่าหนูใช้แรงสู้เข้าไปเลยก็คือดูตามรู้ถึงเรื่องความเจ็บปวด่ะเจ้าค่ะแล้วมันนั่งมาพอสมควรแล้วพอหนูเห็นร่างกายหนูขยับแล้วหนูรู้สึกว่าหนูเนหนื่อยมาพอสมควรหลายปีแล้วหนูจะขยับนิดหนึ่ง หนูเจ็บมากแล้วคราวนี้ชื่อหนูก็ผุดขึ้นมาในใจแล้วมันทำให้หนูเหนื่อยล้าไปหมดว่าหนูเริ่มมีตัวตนแล้วมันทำให้หนูเหนื่อยไปหมดจนพักหลังค่ะมีชื่อผุดขึ้นมาไม่ได้แปลว่ามีตัวตนนะแต่ว่าในความรู้สึกของหนูเหมือนกับว่าความเป็นหนูมันดิ้นรนพยายามที่จะให้หาย เ, ออเจ็บอย่าไปดิน้นรนสิให้ดูตรว น, นี้ยินดีให้รู้ทันจินร้ายให้รู้ทัน มันยินร้ายแล้วหนูก็รู้ทันว่าหนูมีความอยากที่จะออกจากเวทนาแต่หนูไม่ออกหมายถึงวจิตไม่ยอมออกเพราะว่าหนูพยายามที่จะนั่งให้ให้ทนกับเวทนาเพราะว่าปีนี้หนูมีความรู้สึกว่าหนูหนูเริ่มที่จะนั่งสู้ได้กับเวทนาบ้างหนูก็พยายามที่จะนั่งโอ้ทำไมต้องไปสู้กับมันละ่ะหนุจะเอาชนะมันไมไม่คะ่ะไม่ หนูรู้สึกเหมือนกับว่าหนูเริ่มเหนื่อยหน่ายเพราะว่าหนูนั่งทีไรหนูก็พอเจ็บหนูก็พอจะกระดูกแตกอย่างนี้ค่ะมันละเอียดแล้วหนูก็จะออกจนตอนหลังหนูเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคําสอนของอพระท่านหนึ่งที่บอกว่าสู้ไม่ถอยมันเริ่มมาเข้ามาฝังอยู่ในใจหนูไม่ใช่ว่าหนูจําแต่หนูแค่ว่าทราบซึ้งกับตรงนั้นเพราะหนูเริ่ม เบื่อหนายกับชีวิตบางอย่างคืออย่างนี้ถ้าเราใช้เวทนาหรือปัศนาน ะ, ะต้องไม่ถอยดูเข้าไปเลยะให้ระเบิดไปเลยแต่<น>ถ้าสมาธิไม่พอเนี่ยมันทนไม่ไหวถ้าทนไม่ไหวจริงๆสติจะแตกเนี่ยนะไหวซะดีกว่าเพราะว่าหนูถอยมาตลาดจนปีนี้หนูก็เลยไม่ถอยแล้วพอมาสุดท้ายว่าจิตไม่ปกติค่ะ รู้สึกไหมว่าจิตมันไม่ค่อยปกติหนูทุงมาวันนี้จิตมันมีโมหะครอบไปเรื่อยๆเจ้าค่ะถ้างั้นหนูถามคำถามสุดท้ายว่าหายใจหาใจว้ก่อนหายใจแล้วรู้สึกตัวด้วยใจที่ผ่อนคลายมีจิตใจผ่อนคลายไหมเออจิตให้ทรงอยู่ขนาดนี้นะเดี๋ยวแล้วรักษาไปตัวนี้ก่อน อนุญรายสุดท้ายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของทา่าขานที่พอครั้งสุดท้ายที่นั่งหนูเริ่มมองเห็นความร้อนของขาแล้วก็เห็นความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อแล้วอยู่ดีๆหนูก็ตัดใจคือหนูเห็นเวทนามันเกิดขึ้นหนูก็นั่งเฉยๆแล้วมองเพ่งลงไปที่ขาด้วยความรู้สึกแล้วหนูก็เห็นเวทนาไปเกาะ กอดรัดกับก้อนเนื้อตัวที่มันเจ็บหนูก็นั่งมองอยู่เฉยๆเสร็จแล้วหนูก็เห็นขาหนูร้อนไปทั้งขาหนูก็เห็นเวทนาเข้าไปมั่วกับขาหนูจนหนูถอยออกมาเพราะความเหนื่อยที่มันเข้าไปรัดกันขนาดนั้นแล้วหนูก็เริ่มถอยออกมาจนหนูเห็นร่างกายส่วนข้างล่างของหนูที่มันหนักๆเนี่ยพี่มีเวทนาเข้าไปพันด้วยหนูเริ่มมีความรู้สึกปลงว่าอ ธาตุหนูมาเหมือนกับธาตุมันมาประกอบกันเข้ามาแล้วก่อให้เกิดความเป็นหนูขึ้นมาพอหนูเห็นอย่างนี้ระ ล, ลึกได้อย่างนี้หนูรู้สึกว่าหนูเริ่มเหนื่อยแล้วเริ่มที่จะยอมรับตามลำดับว่าธาตุมันทาให้เกิดความเป็นหนูขึ้นมา mm hmm. เพียงแค่ว่าแค่เรียนรู้เท่านั้นนะตอนนี้ค่ะหนูก็เลย<ต>อยากจะถามตอนนี้นะรักษาจิตไว้ก่อนค่ะ อย่าไปฟุ้งสร้างในธรรมะนะรู้สึกตัวโลปัจจุบันไปไม่ต้องคนกว่าเยอะนักหรอกทีอ <Okay. S 1> ถ้าจะดูเวทนาเนี่ยดูในแง่ที่ว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราจิต ท, ที่ไปรู้เวทนาก็ไม่ใช่เราเราไม่ได้นั่งอย่างมันร้อนขึ้นมามันต้องทุกข์อ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่กระตุกดิกนะมันก็ต้องทุกข์ไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> แต่ถ้าใจเราตั้งมั่นมีสมาธิพอมันก็จะแยกออกไป ใจเนี้ยสงบสุขร่างกายกับเวทนาเนี้ยรับ ก, กันอยู่นะแต่ใจสงบสุขใจไม่กระเทือนเพราะเวทนาก็ฝึกเพื่อให้ใจเนี้ยมันมันไม่หวั่นไหวแต่ไม่ใช่ฝึกเพื่อให้หายจากเวทนานะไม่คะพอหนูม่กี้ที่พระอาจารย์บอกว่าสภาวะเชิงเดี่ยวถ้าในเรื่องของทาตตรงเนี้ยมันตกลงจบลงที่ตรงไหนเหรอเจ้าคะ่ะดูตรงที่มันไม่ใช่ตัวเรานะ ดูเราไปเรื่อยได้พิจารณาเราไปช่วยหน่อยหนึ่งก็ได้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความร้อนนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราแต่ตัวสําคัญที่สุดที่ขณะนี้ต้องทํานะสติจะต้องดีวันนี้เจ้าค่ะสติอ่อนไปละวละใจมันเจะสติมันอ่อนไปแ ต, แต่กว่าวว่าถึงตรงนี้พี่หนูที่หนูกราบเรียนเมื่อกี้ว่า หนูเห็นธาตุนะจใช่ไ้มเจ้าคะแล้วก็ความเจ็บปวดแต่ทําไมตอนหลังความเจ็บปวดนั้นหนูก็ยังเห็นว่ามันยังทรงอยู่แล้วหนูก็แยกออกมาเด่นชัดแล้วหนูก็มีความสุขหมายว่าจิตขณะนี้ยติดอารมณ์ตอนนี้หนูต้องกลับไปทํำยังไงอีกเจ้าคะทาสติไว้ให้ดีนะจิตถูกอารมณ์ครอบงําแต่ยังไม่เห็นตอนนี้อันตรายนะใช่คะ่ะแล้วต้องรู้สึกตัวต้องรู้สึกตัวลืมกรรมฐานไปก่อนรู้สึกเอาไว้คะ่ะ มาให้คนน บ, บางบบานะมันอันตรายเหมือนกันนะภาวนาไปเรียนกันแปลกๆค ร, รับหลวงพ่อเจ้าค่ะวัที่แล้วหลวงพอ่อแนะนำว่าให้ภาวนาพุโทโธเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าจิตยังฟุ้งมากอยู่ขณะนี้ก็ยังมีฟุ้งมากอยู่ใช่ได้แล้วแล้วก็สิ่งที่ได้เห็นมากก็คือ ตัวที่ถูกปีบคันแล้วก็เห็นถึงความบังคับไม่ได้แต่มีใจยอมรับมากขึ้นกว่าเก่าสังเกตไหมว่าใจเรามีพลังก็บางครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งก็ยังคิดว่าออการภาวนาของเราเนี่ยมันหย่อนไปหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะ แม่ชีนะใจมันไหลไปแล้วเพิ่มสติไว้อย่าให้ใจมันหลงไปรู้สึกรู้สึกรู้เสรึกนะสึกตัวใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้สมาธิไม่พอล้วมรื่ใจเคลื่อนไปให้รู้ทันนะนี่อันตรายนะค่ะของคุณไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะภอวนาใช้ได้ขอกัรน้ำเย็นและการบ้านต่อค่ะคุณพ่อพอขอกานบ้านด้วยค่ะ กันบ้านทําอย่างนี้นะทําถูกแล้วเนี่ยขอบขอบคุณหลวงพ่อทุกคนที่ทำงานไปนะแล้ค่ะดูออกแล้วล่ะขอบขอบคุณหลวงพ่อทุกท่านการหลวงพ่อค่ะสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็คือทําในรูปแบบเธอศีลห้านะคะเอการปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็คือว่าเรานั่งมองว่าเราหายใจอยู่นั่งดูลมหายใจทีนี้หลวงพ่อบอกว่าถ้าดูตรงนี้แล้ว ให้คิดต่อเรื่องผมขนเล็บฟันหนังอันนี้คิดไม่เป็นแต่ว่าทุกวันนี้ใช้กรณีดูว่าจิตไหลไปแล้วรู้ใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ค่ะแต่คอยรู้ทันนะใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านฟุฟ้งมากคะ่ะหลวงพ่อรู้ทันตัวนี้ไปค่ะแล้วพอเรารู้แล้วแต่มันค่อยสงบเข้ามาหลวงพ่อคะแล้วถามว่าทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยจะได้โสดาไหมคะไม่อย่างนี้ไม่บอกหรอก ไม่ไม่ใช่ตอนนี้ค่ะแต่แบบว่าคึบมาอย่างนี้ก็คือโอเคแล้วใช่ไหมคะอ้าวแนวน้องมันดีขึ้นเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็ต้องถึงแหละกล่าวขอบคุณค่ะแล้วก็ที่อีกคําถามเนี่ยค่ะที่ปฏิบัติมาไม่ค่อยเจอทุกข์เลยค่ะหลวงพ่อแบบมันก็ยิ้มยิ้มชิวๆไปอย่างเนี้ยมันผิดหรือเปล่าจิตตอนนี้ไม่ถึงฐานดูออกไหมตอนนี้ใช่ค่ะถ้าจิตไม่เข้าฐานเนี่ยจะไม่เห็นทุกข์ค่ะถ้าจิตอยู่กับฐานจิตอยู่กับกายอยู่กับใจเนี่ยมันจะเห็นกายนี้ทุกข์ใจนี่ทุกข์นะ แสดงว่าไม่เข้าถ่านเลยค่ะเออใช่ขอบคุณค่ะฉลาดกวอคุณค่ะแม่ชีรู้สึกตัวกาบนรรมสการครับหลวงพ่อให้ผมดูโพสะผมก็ดูมาตลอดนะครับก็เห็นนะครับบางทีก็มากบางทีก็น้อยแล้วตอนนี้มันก็เห็นร่างกายเนี่ยมันเจ็บปวดมากกับเจ็บปวดน้อยถูกนะครับตอนนี้ผมมาถูกแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วทำไงต่อครับ เพื่อทำอย่างนี้แหละจแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับชัดเจนไหมขันมันก็แยกไปหมดนะครับผมขันมันแยกได้นะจะเป็นสักด์แต่ว่าขันทํางานครับมันไม่ใช่เราหรอกครับดูไปเรื่อยๆจนใจมันยอมแตใจยังไม่ยอมหรอกแต่ยังอยากอยู่มันยังอยากอยู่ครับเพราะว่าอยากเลยต้องทําต่อเดีทําปเถอะขอบพระคุณครับดีกว่าไปทำอย่างอื่นครับกราบนรมาสการค่ะหนู ไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยค่ะเหมือนกันหลวงพ่อก็ไม่เคยเจอหนูคือหนูก็ไม่รู้ไม่คิดว่าจะได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อ <ười> <c ười> ไม่คิดว่าหนูจะมาส่ง <c ười> คือหนูปฏิบัติมาตลอดค่ะก็อย่างที่หลวงพ่อที่ได้ฟังคือทุกอย่างหนูสังเกตไหมว่าเดี๋ยวกิเลสก็ามาเ <c ười> ดี๋ยวกิเลสก็ไปเห็นไหมใช่ค่ะเดี๋ยวสุขก็มาเดี๋ยวสุขก็ไปทุกมาทุกไปนะดูอย่างงั้นแต่ดวดูอย่างนี้แหละดูสบสบาย ไม่ได้ดูเพื่อเอาอะไรนะค่ะก็ เ, เวลาหนูเจอเจอเอ๊ะทำไมอย่างเงี้ยสามีก็จะบอกว่าก็าแค่รู้นะก็แค่ดูไปค่ะก็ฝึกฝึกด้วยกันค่ะแล้วทุกวันนี้เวลาเวลามีปัญหาหรืออะไรคือหนูจะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วกบ็บางคนที่เขาส่งการบ้านเงี้ยมันมันบังเอิญว่าตรงกับที่เราเจ อ, เอหนูก็จะแบบ อ๋อเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้หนูก็เลยไม่รู้ว่าจะส่งอะไรรู้จะอยากถามหลวงพ่อแค่ว่าที่หนูปฏิบัติมานี้ถูกทางแล้วถูกเวลาใช้ได้ต้อไปทําอีกนะก็คือแค่รู้อไอ้อย่างนี้กิเลสตัวไหนเกิดบ่อยโทสัค่ะใช่ถูกต้องเยอะมากเกิดแ ล, แล้วรูะใช่ค่ะก็ขอโทษกันทุกครั้งกราบขอโทษกันทุกครั้งค่ะแต่ว่าเขาก็เข้าใจกันค่ะว่า มันเป็นธรรมชาติธรรมดาดูไปนะโทสะเกิดเขารู้โทสะหายไปก็รู้นะแต่ถ้าโทสะมันเกิดบ่อยๆเราก็เจริญเมตตาบริกรรมไปเมตตาคุณาภระหังเมตตาบริกรรมไปต้องต้องทำสมาธิหรืออะไรเพิ่มไหมคะไม่ต้องหรอกทำให้ลงหรอกบริกรรมเราแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแล้วสมาธิจะเกิดเองใช้เจริญเมตตาไปละดีเมตทาไว้เออเจริญเมตตานะทำใจเป็นมิตรนั่ะ อ่อนโยนไม่ดูร้ายมองคนอื่นด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจมองสามีต้ให้ความรู้สึกเมตตายากเลยนะน้องอุ้ยสามีเนี่ยยากไอ้หนูตัวสหนูเยอะเยอะเฉพาะกับสามีกับคนอื่นไม่มีไม่ไม่ค่อยค่ะคือหนูเหมือนรู้ทันรู้รู้ทันอยู่อยู่เสมอจต่ พอกับสามีช่วงหลังมาเนี่ยค่ะหนูรู้เลยหนูรู้หนูรู้ตัวตลอดเลยว่าเอ้ยฉันมีโทสะแล้วฉันโกรธแล้วก็พอถึงเวลาเข้าว่างพลาก็จะกล่าวขอโทษเขาทุกัารเวลาเวลาโทสะเกิดดูไปสิใจไม่มีความสุขค่ะให้ดูไปที่ความรู้สึกของเราเลยเห็นค่ะโทสะเกิดไม่มีความสุขดูอย่างเนี้ยจะเห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะนี่พอเรารู้ว่าโทสะเกิดเราไม่มีความสุขเกิดต่อไปใจมก็ไม่อยากโกรธ ไมงันโกรธทีไรก็ทุกข์ใจไม่อยากโกรธมันจะค่อยๆลดลงไม่ชีพสติขอบคุณค่ ะ, ะนำ้ำมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะรู้สึกตื่นเต้ น, นะคะ่ะไม่ต้องตื่นเต้นภาวนาใช้ได้ก็หนูพยายามภาวนาอย่างจริงจังประมาณสองสามเดือนนะคะหลวงพ่อสภาวะที่รู้สึกว่าเห็นได้บ่อยก็คือ รู้สึกว่าหลงคิดอย่างเงี้ยเอนบอยนะคะหลงพ่แบบหลงบ้างอ้าวรู้สึกตัวขึ้นมาหลงไปแล้วแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาแต่มักจะไม่ค่อยเห็นตอนที่มันเป็นหัวขบวนนะะหลวงพ่อหลงไปแล้วจะเห็นตอนรู้อย่างเงี้ยถูกว่าตอนที่กำลังหลงอ่ะสติจะไม่เกิดแต่ว่าพอหลงไปแล้วพอสติเกิดก็หายหลงสติกับหลงไม่เกิดด้วยกันแต่ว่าถ้าดูกายดูลมหายใจนี่มักจะแบบ เหมือนจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะหลวงพ่อส่วนใหญ่จะรู้ไอหลงคิดเนี่ยค่ะบ่อยเอาแค่หลงคิดแค่นี้ก็พอละตรงที่เรารู้ว่าจิตไหลไปเรารู้ไหลเรารู้นะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดอนัตรงที่ไหลไปพอเรารู้ทันสมาธิก็เกิดแล้วถ้าไปพไหลบ่อยๆรู้บ่อยๆนะจะเห็นว่ามันไหลได้เองใช่หลวงพ่อไหลเองรู้เองอะไรเองดู้เอมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองเนี่ยปัญญาเกิดที่หนูมักจะรู้สึกว่า เอ๊ะมันคิดขึ้นเองอีกแล้วมันไม่ได้จงใจจะคิดแล้วก็พอมันดับมันก็รู้ขึ้นเองมันดับเองใช่ค่ะอย่าไปโกรธมันอย่างนี้คือเห็นอนัตตาหรือเปล่าใช่เห็นอนัตตาพอน่าเก่งนะใช้ได้ค่ะแล้วหนูควรจะเปลี่ยนกรรมฐานไหมคะเหมือนตอนนี้เปลี่ยนสิคือพยายามดูลมหายใจอยู่ไงค่ะหนูควรจะดูแต่แค่ความคิดดูจิตหนีเ้าไปหายใจหายใจได้ด้วยก็ดีนะ ไม่งั้นเวลาบางวันฟุ้งซ่านมากเนี่ยไม่มีที่พักเลยใช่ารรู้ลมหายใจไว้นะี่ย ด, ด, ดีแล้ว<ะ>รู้ลมหายใจแล้วรู้ทันจิตก็<ะ>ขอบพระคุณหางหลวงพ่อครับน้ำมัสการหลวงพ่อครับผมมึนส่งการแรกครั้งแรกนะครับก็ปฏิบัติมาตั้งแต่ห้าสองครับแล้วก็มาฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อต้นปีที่แล้วห้าเจ็ด แล้วทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนว่าผิดเนี่ยผิดทุกอย่างเลยครับ<ม>ก็เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอ่อก้าวช้าๆเหมือนลุกขึ้นครับสามวันดีสี่วันไข้สามวันดีสี่วันไข้ ใ, <ช>ในการปฏิบัตินะครับการภาวนาเศร้านะเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเป็นธรรมชาติอย่างนั้นครับแล้วก็อครั้งแรกที่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเองอครับครั้งแรก<อ>ที่เห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเองเนี่ยก็คือเห็น เห็นว่ามือเป็นอะไรไม่รู้ก็พยายามจะนึกครับว่าเมันคืออะไรแต่ก็ตกใจอย่างที่ซีดีหลวงพ่อบอที่หลวงพ่อแนะนํำครับแต่ว่าก็สักพักหนึ่งก็พยายามมองพยายามจะหาสัญญาว่ามันคืออะไรก็มองไปเรื่อยๆแต่มันก็ไปรวมครั้งที่สองเห็นเหมือนกันครับเห็นท่าเดิมมือข้างเดิมหลังจาก4ีห้าวินาทีมันมีมันเข้าไปรวมปั๊บมันสัญญามันขึ้นมาว่านี่คือแขน เห็น่นี้ถูกไหมครับสัญญาส่วนสัญญานะมีไม่มีไม่สําคัญอ่ะครับตัวสําคัญก็คือความรู้สึกที่ว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราเหรอกครับใช่ตัวสําคัญอยู่ตัวนี้ครับแ ล, แล้วชื่อได้ไม่ชื่อแต่ไม่ออกไ ม, มไม่มีความหมายเลยครับความหมายใช่ครับผมแล้วในรูปแบบที่ทําอยู่เตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันพิกไปเป็นสมถะอย่างที่หลวงพ่อบอกครับก็คือบางครั้งดูกายนั่งหายใจอยู่แต่ว่า มันไปนิ่งสักพักมันถอนออกมาอย่างนี้เรื่อเรียกว่าเริ่มเดิมปัญญาเลยยงครับถูกแล้วครับผมแล้วเวลาที่เราพอนานะจิตจะรวมเพราะมาพักอย่าไปฟืนมันอ๋อครับนะให้เขาพักไปพอเขาเคลื่อนออกมาแล้วก็ดูรูปนามเกิดดับต่อไปครับอย่างนี้แสดงว่าผมก็ทําแนวนี้ต่อไปถูกต้องทำได้อยู่ครับขอบพระคุณครับหลวพ่อบําบัดแล้วได้ไหมครับหลวงพ่อจะมีอะไรสรุปไหมครับคุณให้ได้ สรุปนาอย่าให้ขาดสตินะรู้ตัวไว้รู้สึกไว้รู้สึกไว้นะแล้วพอสมควรเี่ยวเวลานะพวกเราขอให้กามหลวพ่อขอกลับขอบคุณหุพ่อพร้อมกันนะครับในทางปุโนหงพ่อขอรา